จะถามปัญหาเนี่ยสนเป็นการสนทนากันเนาะสนทนาสอบถามเพื่อความกระจ่างและชัดตรงประเด็นที่เราต้องการอยากจะรู้ได้าอามาพูดไปเรื่อยเด้ อ, อามาก็จะพูดไปเรื่อยเใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้ก็อยากให้พวกเราได้ถามข้อข้องใจหลักการประพฤติเชื่อไหมว่าจริงๆทุกคนมีปัญหากันหมด มีเรื่องในใจทั้งนั้นแหละแต่จงมั่นใจว่าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสามารถที่จะให้หลักการข้อมูลในการดาเนินชีวิตของเราได้จริงๆให้เชื่ออย่างนั้นแล้วก็อย่าอย่าอายอย่าไปนึกว่ามาถามปัญหาฉันให้นึกว่าถามปัญหาธรรมะ ซึ่งพระธรรมของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่เวลามาตอบเนี่ยอามาก็เอาข้อมูลของพระพุทธเจ้าเป็นพูทธตอบให้มีความชื่นใจว่าอ๋อเพราะพุทธเจ้าได้บอกข้อมูลก็เราแล้วจะได้ดําเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นโอกาสในการพบเจอพระสงฆ์ก็ยากชีวิตความเป็นไปของชีวิตก็ก็ยากไม่รู้ว่า กร แ, แสชีวิตเนี่ยมันจะหยุดหรือมันขาดลงว่า่ะไหร่ก็ไม่รู้เพราะเราเจอถูกมหันตภัยเนี่ยหนึ่งแก่สองเจ็บสามตายเป็นต้หนหล่เนี้มันบีบคั้นมาทุกด้านใช่ไหมเหมือนภูเขาใหญ่ที่มันก้อนหินใหญ่มันกลิ่งมาจากทิศ ท, ทั้งสี่เราไม่มีโอกาสจะหลบได้เมื่อเจอภัยเหล่านี้เข้ามาเบียดเบียนบีบคั้นแล้วก็ตาย ที่ชีวิตของพวกเราเนี่ยมีโอกาสถ้าเราได้เจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยโอกาสดีที่สุดก็คือเราจะได้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องดีงามอันนี้สำคัญมากเพราะในขณะที่เราได้มีโอกาสในการที่จะดำเนินชีวิตได้ถูกต้องดีงามเนี่ยมันเป็นการได้ได้ได้ฝึกตนเองให้เข้าสู่ร่องรอยอ ย, อย่างที่บอกแต่ที่แรกว่า นึงการทำจิตสองการทำกิ จ, กกจแล้วก็ให้เป็นไปด้วยความไม่ประมาทก็ชื่อว่าเรากำลังดำเนินกระแสชีวิตไปตามแนวทางที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาคำสอนพระเจ้ามีสองส่วนนะหนึ่งให้เราแยกให้ออกระหว่างมัชเชนธรรมเทศนากับคำว่ามัชชิมาปฏิปทาไม่เหมือนกันนะคำสอนพทธเจ้าเนี่ยเป็น มัชเชนธรรมเทศนาหรือเป็นมัชเชนธรรมคำสอนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสมบัตฐทานไม่ว่าจะเป็นบารมีเนี่ยเป็นมัชเชนธรรมเทศนาแต่เมื่อเราฟังแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจและเราดำเนินชีวิตไปตามธรรมะ ท, ที่เป็นมัชเชนธรรมเทศนาเขาเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาก็คือดำเนินกระแสชีวิตไปตามทางสายกลางได้ชัด ในยุคปัจจุบันเนี่ยชีวิตของมนุษย์เนี่ยเป็นชีวิตที่สุดตรงนะจะสุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งให้สังเกตดูแต่สุดตรงบางคนก็สุดโต่งไปทางด้านของวัตถุบางคนก็สุดโต่งไปทางด้านของนมามธรรมเนี่ยแท้จริงก็ผิดทั้งคู่ใช่ไหมถ้าบอกว่าคําสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นวัตถุนิยมหรือจิตนิยมหลายๆคนยกมือขึ้นพร้อมกันเลยเป็นจิตนิยมผิดด้วยถูก ไม่ไม่เข้าใจเอาคําสอนพุทเจ้าเนี่เป็นวัตถุนิยมหรือจิตตนิยมเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าผิดเพราะว่าสุดตรงคําสอนพุทเจ้าไม่เป็นทั้งวัตถุนิยมไม่เป็นทั้งจิตตนิยมพุทธเจ้าสอนเรื่องทั้งให้ความสําคัญทั้งรูปธรรมและนามธรรมเห็นไหมไม่ใช่บอกว่าต้องไปด้านนามธรรมอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ คนจะบรรลุธรรมหรือจะสามารถเข้าสู่คําสอนพระเจ้าต้องแยกแยะต้องฉลาดทั้งรูปธรรมและนามธรรมไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งวัตถุนิยมไม่ใช่จิตนิยมอย่างนี้เป็นต้นเพราะพระพุทธเจ้าสอนในเรื่องของมัชชิมาปฏิปทาใช่ไหมคำสอนพระเจ้าเนี่ยถามว่าเป็นวิพัชวาทะสอนในเรื่องการจําแนกแยกแยะ ก, การแจกแจกแกงนี้เป็นต้นอย่างถ้าเราบอกว่าอัศทะ นี่คุณสุคสมานัตตัญหาวิปลสสนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นสองอาทีนวะโทษความไม่เที่ยงเป็นโทษความเป็นไปตามเหตุปัจจั ย, ยนี่เลยแล้วก็สมก็คือนิสรณะนิสรณะก็คือทางรอดทางพน้นนิสรณะมีสองส่วนนิสรณะที่เป็นเหตุหมายถึงมรรคอริยมรรนิสรณะที่เป็นผลหมายถึงพระนิพานตรงนี้ต่างหากที่เราจะต้องดําเนินไปตามนิสรณะใช่ไหม งั้นคำสอนพุทธิย่าเราก็จะต้องแยกแยะก็จะต้องเข้าใจเหมือนคำว่ามัชิมาปฏิวัาเานี่หรือคำว่ามัชิมาเนี่ยคำว่ากลางเนี่ยคำว่ากลางเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดคำว่าพอดีเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องวัดพอดีพอเหมาะเนี่ยที่มันสมดุลบาลานเนี่ยนะบาลานสมดุลเนี่ยเป็นสมตาเป็นสมตาเป็นความสมดุลได้ดุนยภาพ ได้ได้ความพอเหมาะพอดีหลักการปฏิบัติที่มันจะเข้าตรงนี้ได้นมันคืออะไรอเยกตัวอย่างเวลาอยู่กับพ่ออยู่กับแม่อยู่กับพี่กับน้องอยู่กับเพื่อนอยู่ที่ทำงานโดยส่วนใหญ่เราจะสุดตรงเราจะไม่ค่อยได้ความพอดีจริงไหมจริงแล้วเราก็หาความพอดีไม่เจอเหมือนถ้าคนกินเหล้า แต่ก่อนแค่กินวันละสิบแก้วก็เลยลดลงมาห้าแก้วกลายเป็นมัชชิมาไหมเล่นไม่เปอย่างนี้ไปเรียกมัชมมชิมาเพราะมัชชิมาปฏิบัติมัชชิมาเนี่ยเขาเอาเรื่องความดีที่ให้มีความสมดุลไม่ใช่เอาความไม่ดีแล้วลดลงมาเหลือครึ่งนึง่ ง, งน้อก็ไปเข้าใจคำว่ามัชชิมาผิดใช่ไหม ฉันก็พยายามเดินสายกลางแล้วนะแต่ก่อนฉันก็สูบบุหรี่วันละสองซองเดี๋ยวนี้เหลือซองหนึ่งเนี่ยจะเอาอะไรกับฉันอีกเดี๋ยวนี้ฉันก็โกรดน้อยลงแล้วนะโอ้โหถ้าแต่ก่อนฉันไม่ยอมนะเนี่ยมามามาทําหน้าตาอย่างนี้กับฉันเนี่ยเดี๋ยวนี้ฉันลดลงมาตั้งเยอะแต่ฉันก็ต้องมีโกรดบ้างเดี๋ยวนี้ฉันก็เดินสายกลางนะกลางไหมจากโกรธประมาณ20สลดลงมาสิบเปหลือสิเนี้ถือว่ามชิมาปฏิปทาไหม แปรี้ยแบบมาชิมาไหมเหมือนนี้ไม่เรียกเขาไม่ได้เอาเอาตรงนี้เป็นเครื่องวัดต้ อ, อความดีความหมะและอะไรอันนี้ฉันตั้งประเด็นก่อนนะฉันถามเองถามพวกเราก่อน <c oughs> <c oughs> เราอยากหาเจอไหมคําว่าสายกลางเนี่ยใช่ไหมอยากหาเจอไหมอ่ะเราเลียกขึ้นมาสักเรื่องที่ว่าเราต้องการกลางกับเรื่องอะไรมาชิมากับเรื่องอะไร เราทำงานวันละสิบชั่วโมงเราถือว่ามันเกินไปก็เลยขอลดลงมาให้เหลือห้าชั่วโมงอันนี้เรียกว่าสายกลางไหมเรากินข้าวกินอาหารเนี่ยมันอ้วนใช่ไหมเรากินเยอะจัดเรากินสามมือ้อถึงสี่มือ้อบางทีเอาละต่อไปเราจะเดินสายกลางให้เหลือสามอันนี้ใช่ไหม แล้วกลางมันคืออะไรอาคาว่ากลางคืออะไรเราเอาปริมาณของการกินเป็นเครื่องวัดได้ไหมเหมือนขับรถแต่ก่อนเราขับรถเนี่ยต้องร้อยสี่ร้อยห้าแต่ปัจจุบันเราเดินสายกลางก็มาอยู่ร้อยหนึ่งอันนี้ใช่กลางไหมแล้วกลางมันคืออะไรในความเข้าใจของพวกเราเนี่ยสายกลางของเราเนี่ยสายกลางมันคืออะไร ไม่เดือดร้อนตอนเองไม่เดือดร้อนคนอื่นแล้วเดือดร้อนใครอ๋อไม่เดือดร้อนใค ร, รใคำ <laughs> <laughs> พูดบางอย่างมันฟังดีอย่างไงแต่ไม่รู้จะทำยังไงเนี่ยเนะี <c oughs> ่ยพอไปนั่งทํางานทีไรความดันขึ้นทุกทีเลย <c oughs> อันนี้เสียว่าเริ่มเดือดร้อนเริ่มเบียดเบียนตัวเองหรือยัง <c oughs> เริ่มเบียดเบียนเอาแต่นี้อาจารย์ก็ตั้งประเด็นตรงนี้ไว้จะได้ให้เข้าใจว่าคืออย่างที้คําว่ากลางเนี่ย ถ้าเอาธรรมะมาจับมันจะเห็นถามว่าพรหมวิหารสใช่ไหมเราเรียนกันมาแล้วเนี่ยเมตตาหมายถึงความรากักความปรารถนาดีเ อ, อื้อทนกรุณาความสงสารคิดจะช่วยโภพนทษมุทิตาก็าพรอยยินดีเมื่อคนอื่นประสบความสุขความได้ดีอุเบกขาความวางใจเป็นกลางนก็คือรักษาธรรมะรักษาความถูกต้องดีงาม ทีนี้เมตตากรุณามุติตาเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกเมตตาเอียงได้ไหมสามารถเอียงได้ไหมเอียงได้นะถ้าเมตตาอย่างเดียวเนี่ยกรุณาบางทีใช้แต่กรุณาอย่างเดียวเอียงไหมเอียงที่โห oh, สงสารช่วยแจะพืชพี่น้นองเดือดร้อนไม่ได้ช่วยเดือดตนเองจะทกขนาดไหนก็ช่วยช่วยช่วช่วยช่วยชอย่างไม่มีขีดจํากัดนี่แหละเสียเขาเสียนิสัยไหมเนี่ย เป็นกลางไหม ม, หมุทิตาพลอยยินดีแต่เราทํากันไม่ค่อยได้อยู่แล้วตอเนี้<ม>ใช่ไหมถ้าพลอยยินดีถ้าลูกได้รางวัลที่หนึ่งโอ้โหพลอยยินดีเต็มที่อด้านนามสกุลที่ได้รางวัลที่หนึ่งนั้นเป็นนามสกุลที่เราเกลียดที่สุดพลอยยินดีได้ไหมพอเขาถูกรางวัลที่หนึ่งโตมโอ้โหตบออกผางดีใจด้วย อยากจะไปแสดงความยิดดยนดีได้ไหมมีคนคนหนึ่งเวลาเห็นคนอื่นถูกรางวัลที่หนึ่งทีไรก็เครียดแกบางคนอยู่สีประจันกบอเครียดรับไม่ได้เลยว่างั้นทุกมากถามทุกทําไมแกทําบุญขนาดนี้ทําไมไม่ถูกไอ้เจ้านี่มันทำไมถูก <c oughs> <c oughs> เคยเป็นแบบนี้ไหมเคยถึงขนาดนี้ไหมถามว่าเคยมีความรู้สึกขัดเคืองนิดๆเลยไหมเวลาคนอื่นถูกเป็นไหม ถามจริงๆรู้สึกว่าทำไมไม่เป็นเรา <m uch> เ, เ, เ, เคยเคยเป็นไหม <m uch> 1> 1> เนี่ยอย่างนี้เขาเรียกมุทิตาหรือลิษียา <m uch> 1> 1> โอโชัดเลย <ul> <mm เนี่ ย, ยาๅษียเนี่ย <m uch 1> มันเอียงเนี่ยลักษณะเนี่ยฉะนั้นเมตตากรุณามุทิตาเนี่ยถ้าเราใช้เมตตาบ่อยๆใน บ, บุคคลที่เขาปกติหรือกรุณาบ่อยๆในขณะที่เขาคนที่เขา ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือในขณะสถานการณ์แย่ลงผิดปกติถ้าแย่ผิดปกติฝ่ายดีก็มุทิตาการณีอย่างเนี้ยเสียความเป็นกลางได้เขาจึงต้องมีอุเบกขามาคอยดุลไว้ถ้าอุเบขาเนี่ยอุเบกขาเขาถืออะไรเป็นใหญ่ถือธรรมะถือความถูกต้องดีงามเป็นใหญ่ไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังเสมอตน้นเสมอปลายใช่ไหม อุเบกขาเนี่ยไม่หวั่นไหวไม่ดีใจเสียใจเนียมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดทั้งหลายต้งนี้เพราะอุเบกขาถือหลักการถือธรรมะถือความถูกต้องดีงิงยกตัวอย่างเช่นถ้าคนทำผิดและคนคนนั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นปู่ตายายยายเป็นสามีเป็นภรรยากาับเราถามว่าในขณะนั้นเนี่ยเขาทาผิดขึ้นมาเราควรใช้ เมตตากรุณามุทิตาหรือเบคขาถ้าเขาจะต้องได้รับโทษแต่ถ้าเรามีความสามารถที่ไปช่วยเขาได้วิ่งคดีได้สามารถเอาออกจากข้อผิดพลาดนั้นได้การไปช่วยเขาเป็นกรุณาไหมเป็นอะไรเป็นการปฏิบัติธรรมข้อไหนเป็นกรุณาหรือเป็นมุทิตาหรือเป็นเป็นเมตตา ถ้าใช้เมตตาไปช่วยผิดไหมกรุณาผิดไหมควรกรุณาไม่วาลานั้นควรมุธิตาไหมควรใช้ข้อไหนอุเวขาคือวางใจเป็นกลางให้ถือธรรมะถือหลักการถือกฎเกณฑ์กติกาที่ตั้งกันไว้ว่าพ่อหรือแม่ปู่ตายายายทั้งหลายทาอะไรผิดก็ต้องรับผลของการกระทานั้นนั้น แต่ความเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้หายไปความเป็นปู่ตายายายายไม่ได้หายไปก็ยังยึดโยงกันอยู่แต่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับได้ด้วยปัญญารู้และเข้าใจไอวางใจให้เกิดความพอเหมาะพอดีในรักษาอย่างนี้อันนี้เขาเรียกมัชชิมาการที่เราสามารถใช้ธรรมะให้ถูกต้องตามการตามบุคคลตามสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องโดยไม่บิดเริ้วทั้งหลายเหล่านี้นี่เขาเรียกว่ามัชชิมานี่คือความพอดีนี่คือสายกลางเขาจะยัง ก็อย่างนี้เป็นต้นอยากไหมใช่ั้มมันยากตรงที่ว่าเราไม่เราไม่ค่อยฝึกเข้าไปถึงตรงนี้นี่แหละในข้อแท้จริงเนี่ยเออย่างยกตัวอย่างเช่นน้องเดือดร้อนมากไอ้เจ้าน้องคนนี้ก็ไม่ค่อยจำเลย่ยทำอะไรก็ผิดผิดพลาดพลา ด, ดมาตลอดเวลาเลยไอ้เราก็กรุณาจนโหจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วสมมตินี่นะเนี่ ย, ยแท้ที่จริง หลักการมันต้องยังไงคือกรุณาเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยได้แต่ถ้าการุณาบ่อยๆถ้าเราใช้กรุณาต่อบุคคลนั้นบ่อยๆบุบบคคลนั้นจะกลายเป็นคนอ่อนแอเขาจะอ่อนแอทันทีลองใช้สิกับใครก็ได้เลี้ยงลูกแแบบกรุณาลูกจะเดินก็อุย้ยอย่าเดินกรุณากลัวลูกจะเจ็บเท้าลูกจะกินอาหารก็โอุย้ยต้องกินอาหารต้องป้อนอะไรเงี้ยนะ ลูกจะเข้าห้องน้ําก็โอ้ยกรุณาไม่อยากลูกเดินก็อุ้มเงี้นะลูกจะเรียนหนังสือโอ้ยทำข้อสอบให้ลูกอะไรกรุณาเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เป็นกลางหรือไม่เป็นกลางนี่เขาเราียกเอียงแล้วนี่เอียงแล้วเนี่ยนี่สุดตรงไหมนะข้าวนะข้าเด็กจะกลายเป็นคนอ่อนแอเสียคนเพราะขาดความเป็นกลางแต่ถ้าหากว่าเอาแต่อุเบกขา เป็นสังคมอุเบกขานี่เสียอีกแต่เนี้ยอะไรก็เฉยก็คือไม่สนให้ทําเองตลอดทุกอย่างมันจะเด็กจะกลายเป็นคนแข็งแล้วก็จะไม่รู้ก็เหมือนกับสังคมบางสังคมที่กลายเป็นว่าเป็นสังคมอุเบกขาไม่สนใจกันเลยถ้าพ่อแม่ทําผิดหรือพ่อแม่ทําอะไรไม่ถูกใจสามารถยกโทรศัพท์แจ้งตํารวจให้ไาจับพ่อแม่ได้ เออเอาขนาดนั้นหรือนี่เป็นต้นเห็นไหมไอ้ตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเออเนี่ยคำว่ามัชิมาปฏิปทาพอเห็นไหมยากหน่อยไหมยากใช่ไหมแต่จริงๆควรฝึกนะควรจะฝึกเข้าไปให้ถึงเหมือนอย่างนี้ศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะความเพียรสติเกลือลึกได้สมาธิความตั้งมั่นปัญญาความรู้ความเข้าใจ เห็นไหมว่าถ้าเราให้ศรัท ธ, ธามากเกินไปเชื่อมากเกินไปเนี่ยปัญญามันเสียดุลเอาความเชื่อเอาทัศนะคติเอาความเห็นเข้าไปจับไว้ะเลยไม่เอาเหตุไม่ใช้ปัญญาไปพิจารณาแยกแยะเหตุผลฉันเชื่อเถอะเพือพ่อเถอะขอให้เป็นคนนี้ทําขอให้เป็นสิ่งนี้ฉันเชื่อตลอดเลยไม่เอาปัญญาไปวิจัยแยกแยะอย่างนี้เขาเรียกไม่เป็นมัชชิมามันสุดตรงไปทางด้านศรัท ธ, ธาไอ้ปัญญาก็เลยอ่อนแรงลงเขา้าใจยัง เนี่ยเ น, นสุดต่งแล้วหรือบางทีเอาศรัทธาออกเลยใช้แต่ปัญญาวิจัยแยกแยะลังเลสงสยัยโอ้โหตรวจสอบตะพื่อตะพือเลยไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นเนี่ยมันก็เอียงไปสุดต่งอีกเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ปัญญามันแรงไปแปลว่าศรัทธามันหย่อนเนี่ยเไม่ได้ไม่ได้ดุลยภาพแล้วหรือบางคนเพียนจัดประเภทที่โอ้โหเพียนจัดบากบัน ลุยมากเอาจริงเอาจังอะไรต่างๆอะไรเนี้ยฟงไงพวกเนี้ยฟงมากเลยสมาธิมันอ่อนเข้าใจยังอะไรก็จะโอ้โหมีแต่บกฝาอย่างเดียวว่างั้นแต่เพียนอย่างเดียวก็ตุ้นอย่างเดียวก็ตือหรือร้นอย่างเดียวฟงไหมสมาธิมันอ่อนแต่ความเพียนมันมากไปอันนี้สุดตรงไหมบางคนก็ สมาธิอย่างเดียวเฉยช้าวางเฉยไม่สนใจคือเอาแต่สมาธิความเพียรมันก็อ่อนมันก็กลายเป็นจดจ่ออยู่แต่เรื่องนั้นเรื่องเดียวแล้วก็ไม่เปลี่ยนเรื่องแล้วก็มุ่งมั่นแต่เรื่องอย่างนั้นแต่ก็ไม่กระตือรือร้นด้วยก็กลายเป็นวิริยะอ่อนแต่สมาธิมันแรงไปเสียดุลไหมเขาใช้อย่างไงวิธีการ เขาให้สติเนี่ยมาเป็นใหญ่เวลาทำกิจกรรมทั้งหลายก็คอยเช็คบาลานดงดูศรัทธาถ้าศรัทธาอ่อนก็กระตุ้นศรัทธาขึ้นถ้าปัญญามากไปก็ดึงลงมาเห็นไหมตัวมันเหมือนไฟเนี่ยไฟมันมันมีไฟอยู่สี่ดวงมันต้องให้ได้ดุลเงินคนที่คอยปรับคอนโทร คอนโทรความสว่างของไฟช่วงเวลาไหนอย่างไรช่วงตอนเช้ายังไงกลางวันยังไงตอนเย็นยังไงกลางคืนยังไงเนี่ยให้มันมีความให้มันได้บาลานซ์กันตลอดต้องคอยเช็คตลอดหรือเหมือนขับรถสถานการณ์ในการขับรถเนี่ยต้องคอยคอยเร่งคอยผ่อนคอยปรับอยู่ตลอดเวลาไหมเวลาขับรถเนี่ยชั้นใดเหมือนกันสติก็ต้องคอยมาเช็คดูความสมดุลกันระหว่างศรัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิอย่างนี้เป็นต้น แล้วเวลาเกิดความเพียรมันอ่อนแอขึ้นมาให้เหตุปัจจัยไงความเพียรขึ้นมาศรัทธามันอ่อนมาให้เหตุปัจจัยไงให้ศรัทธาขึ้นปัญญามันน้อยเพิ่มยังไงมากเกินไปลดยังไงต้องมีวิธีการจะมาหลักการตรงนี้ก็ไปอยู่ในหลักการที่จะให้ได้สมถตาให้ได้ดุลยภาพให้ได้มัชิมาปฏิปทาให้ได้ความพอดีเพื่อต่อเป็นปัจจัยต่อการที่จะเกื้อนหนุนนําพากระแสชีวิตให้สามารถดําเนินเรียเรียกว่า ทำกิจได้ดุญยภาพมันก็ได้ทำกิจได้สมบูรณ์แบบเป็นไปด้วยความไม่ประมาทยากไหมอา้าวยกตัวอย่างยังไงดีในชีวิตจริงเราโดยมากเนี่ยชีวิตของเราโดยมากเวลาเราไปทำกิจหรือทำงานตัวไหนอ่อนเวลาทำงานมีเชื่อมั่นไหมใช้ใช้ใช้ความเห็นใช้ศรัทธามากหรือใช้ปัญญามากในการทำงานใช้ตัวไหนมากกว่ากันสองตัวนี้ จิตผ่องใสไม่เวลาทำงานสังเกตเงี้ยผ่องใสหรือไม่ผ่องใสหรือเคยไปทำงานแบบเร่งรีบแล้วมันรู้สึกเครียดไหมตอนนั้นแปลว่าตัวไหนตัวไหนมากเพียนมากไปใช่หไหมแล้วก็เชยชาไม่กระตือรือร้นเชยแะเคยเป็นบ่อยไหมอันนี้แปลว่าตัวไหนมากสมาธิมันมากไปเนี่ยโดยมากตัวไหนมากเพียน หรือสมาธิหรือศรัทธาศรัทธาก็โหเชื่อยังเดียวทำเออหรือว่าปัญญาสงสัยคิดค้นอะไรสารพัดหมดเลยต้าตัวไหนมากตัวไหนมากเคยสังเกตไหมเราไม่เคยปรับเลยใช่ไหะในชีวิตจริงของเราเราก็ทำตัวเราเองเป็นไปตามโทนนิสัยของเราเท่านั้นเองแต่เราไม่เคยคิดจะปรับของเราให้ได้สมรตาให้ได้ดุญยภาพในชีวิตจริงเลยอ่ะ เหตุการปฏิบัติธรรมมันเกิดจริงไหมมันก็เลยไม่เกิดจริงเลยแต่เนี้ยเราก็เลยแยกกันระหว่างการทํางานกับการปฏิบัติธรรมทัทง้ทงๆที่การทําจิตกระทำทำกิจเนี่ยมันต้องได้ดุลยภะพมันต้องเกื้อกูลกันการทํากิจก็ต้องมาเกื้อกูลกับการทําจิตการทําจิตก็ต้องไปเกื้อกูลกับการทาทกิจมันถึงจะเป็นไปได้ได้ถูกต้องดีง่ะใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่งั้นเราคิดว่าเออถ้าเราปลีกตัวออกไปปฏิบัติธรรมได้อะไปปฏิบัติธรรมก็ไปทําอะไร ไปยืนไงไปเดินไงไปนั่งไงไปนอนไปคูไปเหยียดไปก้มไปไงเจ้าไปกินข้าวไหมต้องกินไหมต้องไปกินข้า ว, ต, ต, าวต้องเข้าห้องน้ํำไหมต้องไปปัดกวาดเช็ดถูไหมต้องไปทําเหมือนกันนี่แล้วก็ต้องทํากิตนั่นแหละแต่มันทํากิตได้จิตที่มันได้ทําจิตไปก่อนทําจิตหรือเปล่าทํากิตมันดุนยภาพกันหรือเปล่ามันจะต่างอะไรกันก็นไปโรงพยาบาลอะไร อ๋อมันต่างตรงที่ว่ามันเปลี่ยนสังคมใหม่ตอนนี้ไม่พอไปโรงพยาบาลมันไม่อยากเห็นหน้าคนคนนี้แค่นั้นเองใช่ไหมอา้าวให้ถามปัญหาตอนนี้ฉันถามฉันเลยพูดเองตอบเองไปเยอะเลยเอา้าวใครจะเป็นคนถามคนแรกเอาคําว่าข้างหน้านี่เลยไม่ไม่ถึงนี่ไม่มีไม่ร้อยนั่นไงไม่ร้อยเท่นะั้นได้ปะ้ะไม่ได้อ้าว เข้ามาถามข้างหน้านี่อะไรดีแล้ว จะทำยังไงให้พ่อแม่แบบอยู่กันมีความสุขอแม่เป็นคนว่าค่ะพ่อจะแบบอยากจะกินกบนอนไม่อยากทำอะไรแล้วแต่แม่เนี่ยขยันมากค่ะเป็นโเสียก็เสียดุนยภาพ <c oughs> <c oughs> วิธีการก่อนเนะี่ยทีนี้นยะระหว่างพ่อแม่ที่มีพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ เวลาเราเป็นลูกเนี่ยหรือเราจะไปเกี่ยวข้องในเคสตัวอย่างลักษณะอย่างนี้บางทีไม่ใช่แค่พ่อแลยแมเราต้องคำว่าวางท่าทีทางใจตรงเนี้ยเหมือนที่พูดเมื่อสักครู่ว่าสติใช่ไหมคำว่าสติเนี่ยมันมีลักษณะว่าดึงตรึงแล้วก็จับสติเนี่ยดึงก็คือว่าดึงข้อมูลในอดีตในอดีตทั้งหมดดึงมา ดึงมาให้ใจได้รับรู้มาไว้ที่ที่ปัจจุบันเนี้ยแล้วก็ใช้ปัญญาตรวจสอบฟันและวิจัยสติก็จะมีคุณสมบัติในการดึงในการดึงเหมือนเราไปดึงคอกบงังถ้าถ้าคิดอดีตแบบขาดสติเคยคิดไหมยกตัวอย่างเวลาเราคิดเรื่องอดีตปุ๊บแล้วก็ปล่อยมันเลื่อนลอยไปในอดีตยคิดไปเรื่อยเปื่อยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตมันหลุดมันหลุดไปในอดีตแล้วมันไม่กลับ เป็นบ่อยไหมโรคแบบเนี้ยเป็นบ่อยใช่ไหมแต่ถ้าสติเนี่ยมันจะมีลักษณะงานก็คือดึงถ้าเราจะระลึกถึงพฤติกรรมของพ่อแม่ก็ให้นึกให้ใช้สติเนี่ยระลึกว่าที่พ่อแม่มาเป็นแบบนี้ในวันเนี้เริ่มยังไงได้เหตุปัจจัยอะไรมาดึงข้อมูลมาทั้งหมดดึงมาให้ปเอาเอา ม, ามาในปัจจุบันนี้ให้ปัญญาได้ตรวจสอบได้ฟันได้วิจัยได้แยกแยะ อ๋อที่พ่อแม่พ่อเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแม่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรหาข้อมูลให้ได้ที่สุดมากที่สุดเทด่าที่จะได้นั่นคือใช้สเตตในการดึงเมื่อดึงข้อมูลมาแล้วการตรึงการจับการตรึงเข้าไว้ตรึงเรื่องราวนั้นไว้แล้วก็พิจารณาวิจัยแยกแยะเหมือนการการที่ถ้ามีอารมณ์นะเรื่องราวทั้งหลายมันลอยมาเนี่ยเช่นว่าสถานการณ์แบบนี้ ถ้าอารมณ์นั้นมันลอยลอยมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่สนใจมันก็เลยไปแต่ถ้าอารมณ์ใดที่เราต้องการที่จะเอามาตรวจสอบเอามกฟันเอามาวิจัยแยกแยะแล้วก็จับอารมณ์นั้นไว้จับเ็ดเสร็จไม่พอเนี่ยตรึงไว้เพราะตรึงอารมณ์นั้นไว้เบเสร็จตรึงเรื่องราวนั้นไว้ปุ๊บก็ปัญญาไปตรวจสอบยิ่งตรึงได้มากเท่าไหร่จับได้ได้แน่นขนาดเท่าไหร่ก็จะสามารถเห็นรายละเอียดเห็นรายละเอียดของเรื่องราวนั้นได้มากขึ้นเมื่อ ฝึกฝนพัฒนาปัญญานี้เรามองเห็นนี่เหมือนกันเรื่องของพ่อแม่ฉันจะไม่อธิบายเรื่องสติตรงนั้นแต่ดึงเรื่องราวมาวิจัยและเราจะเริ่มเห็นว่าที่แม่เริ่มเป็นอย่างนี้เพราะอะไรโอ้ถ้าเข้าใจอาจจะจับประเด็นได้ไม่หมดแต่ว่าประเด็นหนึ่งก็คือว่าอาการหลงเริ่มเกิดขึ้นนี่ไงสมองที่เริ่มฟ a ลงนิดนิด สภาพไตตับปอดสมองเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วอีกคนนึงก็กลายเป็นคนกินนอนไม่กระตือรือรน้นซึ่งผิดจากเดิมอีกคนนึงก็อันเลิศเต็มที่เลยไม่หยุดนี่นี่แปลว่าปัญญาและปัญญาไปทำงานแล้วพอปัญญาไปทำงานตรงนี้มันไม่เรื่อ ง, องความชอบหรือไม่ชอบแต่เป็นกรณีาการศึกษาขึ้นมาทันทีเลยมันจะเข้าไปศึกษาไปวิจัยแยกแยะแล้วจะเริ่มเห็นอ๋อ พอปัญญาก็ไปทำงานไปวิจัยแยกแยะเราก็จะเริ่มเห็นว่าพ่อเป็นอาการอย่างนี้เป็นลักษณะเขาเรียกมานะถดถอยเขา้าใจไหมมานะก็าแปลว่ายกตนชูตนเปร <ท spinning, S 1> <น>ียบเทียบตนใช่แต่ถ้ามานะถดถดถดถอยเนี่ยเพราะโดนว่าโดนตาหนิโดนนั่นมากๆมันก็เลยกดกดตัวเองลงมาก็เลยเ้าเรียกว่าเซ็งนะเข้าใจคานี้ไหเซ็ง ภาษาภาษาเซงซึมเซ็งเนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่าถีนามิทะหดหูท้อถอยอาการแบบนี้ถ้าเป็นมากๆๆกๆๆๆมากก็จะกลายเป็นคนซึมอยากทำอะไรก็ทำฉันจะเป็นันอย่างนี้แล้วก็จะไม่แล้วก็จะมีอาการอาการนี้เขาเรียกว่าใจมันป่วย เนี่ยเราเริ่มรู้ลลเลยวจะฝึกวิเคราะห์เห็นโอ้แต่อีกคนหนึ่งเป็นกลุ่มมานะเฟื่องฟูฉั้นดีฉันแน่ฉันเก่งฉันไม่หยุดและในขณะเดียวกันก็ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนแล้วก็กดคนอื่นยกตนเองโอ้ทำใหญ่เลยแท้จริงป่วยพอกันอีกตัวขอไปขอไปอีกลอกคำว่าตัวอีกคนหนึ่งมานะเฟื่องฟู อีกคนหนึ่งมาณฑ์ถดถอยเดี๋ยวว่าแต่พ่อแม่เลยเราก็เป็นแต่ว่าเราเป็นไม่ค่อยนานเท่าไหร่ใช่ไหมเคยเป็นไหมล่ะถูกด่าว่าถูกว่าถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายว่าหรือว่าสามีว่าหรือใครว่าทำอะไรก็โดนว่าว่าว่าว่าจะมีความรู้สึกไงก็ไม่ต่างอะไรกับพ่อเริ่มมาณ่าถดถอยไหมทำดีไม่ได้ดีจะทาไปทาไม ใช่ไหมก็ลักษณะแบบนีเน้เราเห็นอาการแบบอันนี้เป็นปัญหาด้านไหนปเป็นปัญหาของด้านปัญญาหรือด้านจิตใจด้านจิตใจเป็นปัญหาด้านสัจธรรมหรือจริยธรรมด้านจริยธรรมด้านจิตใจโอ้พ่อมีปัญหาด้านจิตใจแม่ก็มีปัญหาด้านจิตใจอแก้ยังไงใช้อะไรไปแก้ใช้ปัญญา ไปแก้ยังไงพูดปอบโยนคนที่อ่อนแอพ่อนะให้กําลังใจพอแม่ไม่อยู่ก็ให้กําลังใจอ <c oughs> าไรอย่างพ่อจริงพ่อมีความสามารถตรงนั้นพ่อเดินได้ทําอะไรต่างๆพ่อจําได้โอ้โหเยอะเหมยให้ข้อมูลให้กําลังใจแก่พยายามยกให้ขึ้นมาแต่ถ้าแม่ทํางานแม่ไม่ได้ให้กําลังใจพูดให้แม่ให้ ให้ ล, ลดลดมันนะแม่รู้ไหมทำไมพ่อจึงเป็นแบบนี้ถ้าแม่พูดกรณีอย่างนี้มากมากๆมากๆพ่อก็จะเริ่มปุยนั่นหนักเขาหนักาก็จะเดินไม่ได้ด้วยนะแม่นะการพูดกดเขาพูดนั่นเขาอะไรต่างๆเนี่ยแม่ต้องเห็นใจพ่อนะแม่จำได้ไหมแนะ่ดีพ่อทำอะไรให้เราไม่เคยทำอะไรเลย <laughs> แล้วก็ต้องจำไม่ได้ว่าพ่อทำอะไรให้แม่บ้างใช่ไหมต้องดูที่พ่อเคยซื้อส้อยให้ไหมไม่เคยอ๋วตายหาอะไรหาข้อมูลเลยเคยซื้อเสื้อผ้าให้ไหมอเลยหาม่มดีมองออกไหมนะเขานะ่ยเขาแม่วิธีการมองจุดจุดด้อยของพ่อยำยำยำยแม่ก็จะมีความรู้สึกเครียดทุกเนะ แม่ลองมองจุดเด่นของพ่อบางสิจุดเด่นก็นอนไงลูกเอาถ้าเ <c oughs> นี่ยกรณีอย่างเงี้ยก็ให้ก็ให้ให้แม่มองจุดเด่นของพ่อพอมองจุดเด่นของพ่อแม่ก็จะเมตตาแม่ก็จะเมตตาก็จะรู้สึกรักในตัวของพ่อใช่ไหม ก็จะรู้สึกว่าเออเนี่ยจริงๆแล้วการอยู่ด้วยกันใช่ก็บอกแม่ว่าแม่ไปอยากให้พ่อเป็นอย่างที่แม่ต้องการพ่อก็อยากให้แม่เป็นอย่างที่ใจพ่อต้องการต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้ดุนยาภาพกันเลยวิธีการที่ปฏิบัติต่อกันก็ปฏิบัติยังไงก็ยอมรับในสิ่งที่แม่เป็นยอมรับในสิ่งที่พ่อเป็นใช่ไ โดยหลักการตรงนี้แม่ยังแม่หาข้าวให้พ่อทำอะไรให้พ่อถ้าพ่อไม่กินแม่ก็โกรธใช่ไมโกรธน้อยใจด่าว่าในสรพัมดมูเดกรณีอย่างนี้บอกแม่อย่าแม่จงดีใจในการได้ที่ได้ทำหน้าที่งความเป็นภรรยาตักน้ำให้หาอาหารให้แต่อย่าไป เขี่ยวเข็นพ่อว่าต้องกินหรือไม่กินถ้าอาหารนี้พ่อไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ยอมรับในสิ่งที่พ่อเป็นเหมือนเราเนี่ยเวลาเราทำหน้าที่เอายาไปให้แม่กินหมอบอกว่าเจ้าหมอก็เขียนว่ากินก่อนอาหารไอ้เราก็เป๊ะเลยประเทที่ซื่อสัตย์สุจริตมากเลยอะถ้าแม่ไม่กินตามนั้นขึ้นมาโอ้โหโกรธอีกใช่ไหม ว่ากินก่อนอาหารยาเนี่ยวิธีการก็ไม่ให้ทำอย่างนั้นวิธีการก็คือแม่หรือพ่อยานี้ถ้ากินให้ได้ผลกินก่อนอาหารนี่ยานะวางไว้ตรงนี้นี่น้ำนะแม่นะนี่อาหารอาหารแบบนี้เค็มหมอเขาไม่ให้กินแต่แม่ชอบกินอาหารเค็มแต่อาหารที่ควรกินคืออย่างนี้หนูทำแบบจืดไว้ก็แล้วกันแต่น้าปลาตั้งเขาไว้ตรงนี้ แต่ถ้าแม่อยากจะกินเค็มแม่ก็ต้องรับผิดชอบเองนะหนูจะไม่โกรธแม่หรอกไตจะพังไปอวัยวะทั้งหลายจะทํางานหนักแม่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแม่จะไม่กินยาหนูก็จะไม่โกรธแม่จะไม่กินน้ําก่อนกลืนขึ้นมาหนูก็จะไม่โกรธหนูยอมรับในสิ่งที่แม่เป็นแต่หนูมีความสุขที่ได้ทําให้แต่ถ้าเป็นไปได้หนูก็อยากให้แม่ทําแบบเนี้ยแต่ถ้าแม่ไม่ทําหนูก็จะไม่บังคับหนูรักแม่นะอยากให้แม่อยู่กับหนูนานๆ หนูปฏิบัติอย่างนี้หนูมีความสุขถึงจะปฏิบัตินานขนาดไหนหนูก็มีความสุขนิดในการที่ได้ปฏิบัติดีต่อแม่ต่อพ่อถ้าระวังท่าทีทางใจอย่างนี้สิความทุกข์มันจะกัดกินเราไหมใช่ไม้มก็แล้วทำแบบชนิดที่ด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยตัณหาไม่ได้ทําด้วยทิฏฐิไม่ได้ทดําด้วยการไปบงการหรือบังคับว่าเขาต้องเป็นหรือไม่เป็นอย่างใจที่เราต้องการ แต่ทําในฐานะที่เราเป็นลูกแล้วทําให้ได้บุญได้กุศลแล้วก็บอกเหตุบอกผลว่าทําอย่างนี้จะได้อย่างไงทําอย่างนี้จะได้งไงบอกทุกอย่างเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะบอกได้แล้วก็บอกตามที่สติปัญญาบอกรายงานแล้วก็บอกจนจนเต็มความสามารถเต็มศักยภาพเราที่ควรจะบอกเมื่อบอกเสร็จแล้วเราก็มานอนยิ้มสบายใจใชเออล้วก็สบายใจแล้วแต่เนี้ยนี่เหมือนกันเวลาการบอกพ่อบอ ก, บอกแม่ให้มองท่าทีใจบอกวันนี้แกอาจจะไม่เข้าใจบอกแกทําได้ห้านาที แกกลับมาเป็นอย่างเก่าอีกแล้วก็ไปโกรธอีกกลับที่ทําได้ตั้งห้านาทีเราก็ไม่ดีใจใช่ไหมเนี่ยมนุษย์มักจะเป็นคาดหวังอะไรก็ไม่รู้ก็ขนาดเรายังทําไม่ได้เลยอะแต่อยากให้แม่เป็นทําได้ใช่ไหมเออแปลกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันก็ไม่แปลกละกิเลสเนี่ยก็คือประเด็นนี้ถ้าเราเข้าใจเสียเราก็จะได้ทําแล้วก็ถึงแม้บอกแกแล้วเนี่ยแกทาได้แค่ชั่วโมงเดียวเด็กแคเป็นอย่างเก่าอีกแล้วไม่เป็นไร เราก็ได้ค้อฝึกหาาการดบอกใหม่เออได้บอกบ่อยๆแล้วเราจะได้เห็นสัจธรรมข้อหนึ่งก็คือแก่แล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมยากใช่ไหมต่อไปเราจะได้รีบปฏิบัติธรรมก่อนที่ยังไม่แก่เอาแต่ถ้ามันแก่แล้วทํายังไงแก่แล้วทําไงดีเรามาเจอธรรมะตอนแก่ทำไงก็ไม่เป็นไร ไอ้คำว่าเจอขวัญไ อ, อ้เจอเจอไม้งามตอนขวานบินเนี่ยฟันมากๆใช้แรงเยอะๆนี่มันการเวลาปฏิบัติท ร, รมาบางทีเราก็จะสังเกตว่าพ่อเจ็ดสิบกว่าแม่เจ็ดสิบกว่าไม่ง่ายหรอกเขาจะลืมง่ายบอกเดี๋ยวนี้ได้สักพักหนึ่งลืมวิธีการทำไงรู้ไหมเอาวิทยุไปเปิดให้ใคกฟังไปบ่ให้ใคกฟังธรรมะฉันเมีโยมคนหนึ่งฉันไปบินธบาต ฉันก็เข้ามาใส่บาตรฉันมีวิทยุก็ให้แกไปฟังแกแกนะ แ, แกนี่ก็ไม่ได้เจอแกนานเนี่ยนะเกือบเป็นเดือนเนี่มั้งแกบอกว่าเนี่ยวิทยุที่ท่านให้ไปอะ่ะฉันเอาไปให้โยมอีกบ้านคนอีกบ้านหนึ่งเขาฟังถามทำไมโยมไม่ฟังอะ่ะเขาทะเลาะ ก, กันทุกวันเลยท่านเนื้เนี่ยตอนนี้เขาหายทะเลาะ ก, กันเลยก็า ฟ, ฟังทำไมเอ้ยฟังธรรมะก็หายทะเลาะ ก, กันเอามาโอ้ดี เห็นว่าแล้วก็ยังใส่บาตรทุกวันเด้อไงระหว่างหายทะเลาะ ก, กันก็นใส่บาตรฉันว่าเออดีใจดีใจที่เขาเขาเห็นไหมว่าจากคนทะเลาะ ก, กันก็ฟังธรรมะเขาไม่ทะเลาะ ก, กันเออหลายคู่เป็นแบบเนี้ยเห็นไหมอา น, นิสง์ของธรรมะนี่ไม่ธรรมดาอันนี้เหมือนกันบางทีเราบอกแต่บางทีลูกสื่อกับพ่อพ่อจะมองว่ามันจะมาสอนอะไรกูใช่ไหมล่ะมันจะยากนิดนึงตรงนั้นบางครั้งเราก็ต้องอาศรรัยตัวช่วย ตัวช่วยก็คือหารำ ม, มาบางทีก็ไม่เราเปิดฟังเราเองนี่แหละถ้าอยู่กับแกเนี่ยเปิดฟังเองแต่เปิดดังๆหนยแกจะหนีไปมุมไหนก็เรื่องของแกพา ม, มากดังลั่นไว้ด้วแหละอย่างน้อยมันอาจจะมีสักคำหนึ่งนะว่ากโกรธทําลายตัวเองไงเดี๋ยวแกฟังก็อาจจะได้สักคำํำนะเข้าเนื้อเข้าก็จะได้ ม, มุอย่างนี้ โอ้โหนี่เข้ายากแล้วไม่เออ<ต>นีน่เลยนั่นแหละก็พยายาม น, นี่เริ่มเข้ า, ขาใจนะว่าควรจะทำยังไงคิดว่าทำได้ไหมโอเคแล้วนะมีใครถามอะไรอ้าอ้าใคร เอาล้เือเวลาเหลือน้อยแล้วเนี่ยเหลือไม่ถึงชั่วโมงแล้วนะจะหมดเวลาแล้วคิดไม่ออกไงเรือร่องไงเรื่องกลัวคนอื่นรู้แล้วแล้วคิดคิดว่าเราเราไม่มีปัญหาอย่างนี้ป่ะคิดอย่างนี้ป่ะหรือว่าจริงจรงิทุกคน น่าจะ ม, ม, ามีมีความมีความคลองใจหรือมีปัญหาในใจกันทุกคนนะการมีปัญหาในใจนี่เป็นความผิดปกติหรือเปล่าถ้าถ้าไม่มีปัญหาเลยเนี่ยผิดปกติไหมคนที่ไม่มีปัญหาเลยมีจำพวกเดือกรือพระหรหันมีทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วอา้าวเชิญที่ที่สงสัยอะค่ะพระอาจารย์เชิเแม่เพิ่งเสียเราก็ ฝันเห็นแม่บ่อยมากแม่กับพ่อ ท, ท, ทั้งทั้งทที่ยางปู่หรือเพื่อนที่ตายไปเราก็ไม่ได้คิดถึงเขาแต่ก็คือแบบเอ้ยอย่างเพื่อนหรือลุงอะไรอ่คะ่ะที่ตายไปเราก็ไม่ได้คิดถึงแต่ก็ฝันเห็นแล้วมากบางทีก็สองวันฝันที่บ่อยมากเลยนะในเจ็ดสิบกว่าวันเนี้ยคะ่ะก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะฝันเป็นกิจก ร, กรรมที่ทำร่วมกันหรืออะไรอย่าค่ะ เเรื่องของความฝันเนี่ยเหตุของความฝันมันมีทั้งหลายอย่างหนึ่งธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันเสียดุลภาษาพระเขาเรียกธาตุพิการ เพราะไอ้ธาตุเหล่านี้ยธาตุในร่างกายเนี่ยมันเกิดมันเสียดุลยภาพหมดแล้วมันมันมันร้อนไปเย็นไปหนาวไปแข็งเนี่ยนี่สภาพของธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพอมันเสียดุลขึ้นมาเบีดเสร็จปุ๊บมันทําให้ระบบการนอนไม่เสถียรพอระบบการนอนไม่เสถียรมันก็จะตื่นเป็นระยะระยะระยะไอ้การตื่นเป็นระยะระยะระยะเบีดเสร็จเนี่ยมันเลยก็จับเรื่องราวที่สัญญาเคยจําไว้ สัญญาเนี่ยเราเคยจําเคยทํากิจกรรมร่วมกันกับใครกับพ่อกับแม่ปู่ตายา ย, ยายยายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เลยหยิบเอาในเรื่องนั้นเนี่ยไอ้สัญญาที่มีส่วนลึกในใจมันผุดขึ้นมาจากการหลับหั บ, บตื่นๆหลับหับตื่นๆจากการที่นอนไม่เสถียร น, นอนไม่ลึกนี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุหึงความฝันข้อแรกนี่เนี่ยถ้าลักษณะอย่างนี้เอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าฝันได้ทั้งทุกเรื่องเมื่อเราเก็บสัญญานั้นไว้ในใจนี่ข้อแรกข้อที่สอง ไปเร็วๆนิดหนึ่งเนี่ยคืออาหารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเพราะเอิญระบบการย่อยเราไม่ค่อยดีกับระบบการเคี้ยวอาหารเราเนี่ยไม่ดีเมื่อเราเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดอาหารที่รีบกินเข้าไปบ้างอะไรบ้างหรืออาหารเป็นอาหารประเภทย่อยยากหน่อยเข้าไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ากระเพาะ อ, อาหารต้องทํางาน เพอกระเพาะอาหารทำงานมันก็เป็นเหตุให้ธาตุดินธาต้น้ํานี่แหละธาตุไฟธาตุลมนี่แหละไม่ได้ดุลนีเ่เหมือนกันแต่นเนี้ยก็เป็นเหตุให้การหลับไม่ได้ลึกการหลับก็หลับหลับตื่นตื่นก็เลยหยิบเรื่องราวในอดีตจากสัญญาที่จํามาทั้งหลายแล้วเนี้ยก็ขึ้นมาผุดขึ้นมากลายเป็นปะปนจากสัญญาหรือเป็นกุศลสัญญาเลยถ้าฝันดีก็เป็นกุศลสัญญาถ้าฝันไม่ดีก็มาจากปะปนจากสัญญาหรือกิเลสสัญญามันเข้ามาผูกผักดันทําให้คิดในเรื่องราวนั้นๆ นี่นี่เลยประการที่สองประการต่อมาคือเกี่ยวกับเรื่องของจิตอาวรคํคำว่าจิตอาวรก็คือเป็นคนที่คิดเรื่องนี้เยอะคือมันขาดเรื่องนี้จริงๆมันแอบคิดเรื่องนี้แต่เราก็ไม่ค่อยรู้มันมันเข้าไปวิตกกังวลคิดเรื่องนี้บ่อยบ่อยบ่อยบบ่อยเนี่ย ความคิดทุกเรื่องที่เราคิดคิดคิดอะไรไว้ที่ทั้งหลายเลยนี่นะมันอาวรนอาวรนในที่นี้ก็คือว่าอะไรอาวรนในเรื่องใดเยอะๆมันก็เก็บเขาไว้ในความทรงจําส่วนลึกพอจิตมันสงบขึ้นมาหน่อยมันสงบหลับหลับเนี่ยหลับนี่แหละมันก็จะผุดขึ้นมาแล้วก็มาปรุงแต่งจิตเขาเรียกว่าตัวสังขารจิตตสังขารเนี่ยสัญญากระเวทนามันปรุงแต่งขึ้นมาเลยปรุงเป็นเรื่องเป็นราว กึ่งหลับกึ่งตื่นก็เลยกลายเป็นฝันขึ้นมานี่จิตอาวร์เนี่ยสามประการเนี่ยประการที่สี่สามประการนี้ 4, นตัวเนี้ยเอาเอาแน่นอนไม่ได้ประการที่สี่เทวดาเทวดาดนใหญ่เทวดาที่เกี่ยวข้องกับเราก็ได้เทวดาประจาตนเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้อยู่บ้า น, านเรือน กบเทวดาคืกรกเทวดาบ้างอากาศเทวดาบ้างพมตาเทวดาบ้างเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าเทวดาที่มีความยึดยงอะไรกับเราทั้งดีและไม่ดีให้คุณก็ได้ให้โทษก็ได้ก็มากำกับกระบวนการความคิดของเราด้วยการที่มีอำนาจพอสมควรทำให้เราฝันเรื่องร้ายเรื่องไม่ร้ายเรื่องดีเรื่องไม่ดีอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็น ถ้าเทวดาเหล่านั้นอาจจะไปเห็นปูต่ตายายายหรือคนที่เกี่ยวข้องเราเนี่ยไปประสบสุขทุกข์ใดๆแต่คนคนนั้นไม่สามารถสื่อสารกับเราได้อาศัยเทวดาเหล่านี้นีสิตยกตัวอย่างนะเอาเลยช่วยสื่อสารให้คิดถึงหน่อยจะได้ทำบูรุษทิฏฐิอะไรก็แล้วแต่อย่างนี้เป็นต้นก็ได้นี่เทวดาหรือบางทีก็ให้คิดในเรื่องที่มันไม่เรื่องไม่ถูกก็ได้นะเช่ น, นฝันว่าเป็นมันมีทองมีอะไรทั้งหลายต้องการจะหลอกจะอะไรก็ได้ ต้องการจะดีก็ได้แล่วแต่เทวดาที่มาเป็นเทวดาที่เป็นสมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิ<ๆ>ก็สามารถมากํากับมาดลบันดาลให้ฝันได้นีข่ข้อที่4ข้อที่หมาจากปุกพนิมิตหรือกรรมกรรมก็คือพฤติกรรมคือการกระทําที่เราทํามาทั้งหมดทั้งดีและไม่ดีที่ทํามาทั้งในอดีตและปัจจุบันเมื่อเราการกระทําของเราที่มันเกิดกลายเป็นความชํานาญในการกระทํากรรมมาจากเจตจํานงทั้งหลายตรงนี้ ทำทๆท ำ, ท ำ, ท ำ, ทำมาแล้วเนี่ยกรรมเหล่านั้นมันสั่งสมแล้วมันเก็บไว้การเก็บไว้ในส่วนลึกของจิตใจเนี่ยน่ะเข้ากรรมเหล่านี้แหละเจ็ดจนงเหล่านี้ยมันก็มีพลังขึ้นมาในการที่จะให้ได้รับผลดีหรือไม่ดีมันก็เลยให้บันดาลให้เกิดการฝันเราอาจจะฝันเพื่อจะไปเข็นอะไรหรือได้รับอะไรหรือไม่ได้รับอะไรสุขทุกขใดๆอย่างนี้เป็นตน้นสรุปก็คือว่าที่เชื่อได้ที่มันมีส่วนความเป็นจริงได้ก็คือเทวดากับกรรมแต่กรรมนี่แน่นอนกว่า พอจะชัดเจนไหมเอ้ยตรงนี้ก็ต้องเอาไปพิจารณาดูตัวเราเองว่ามันสมควรจะเข้าข้อไหน ท, ที่ฝันส่วนมากจะมีแต่แบบดีแล้วเราก็ตลกตรงที่แบบแม่มาให้หวยอะไรอย่างี้ค่ะอาจารย์แล้วมัก็ตรงอะไรอย่างค่ะอาจารย์ ก็แบบว่าตลกตลกในฝันนะคะแต่ไม่ได้ให้เราตัวเองแต่ว่าในฝันนป้าถามแล้วก็แม่ก็บอกเล่มาก็ไปซื้อก็ไปซื้อก็ถูกอะไรอเงี้ยค่ะก็เลยว่าเออตลกตลกดีอะอย่างนั้นก็อยากให้ตลกแบบนี้บ่อยๆมันโอ้โหแต่นี่มีคนจ้องกันตาเป็นมันเลยก็ในกรณีอย่างนี้บางทีบางทีมีอย่างนี้เนะ ก็มาเคยเจออยู่เรื่องนึงไม่เจอพ่อโยมพ่อเนี่ยตายไปแต่นี้ก็พอปีรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำกระถินไปทอดอีกวัดหนึ่งที่บ้านก็เลยเป็นเจ้าพระทีนี้ไอ้ น, น้องสาวอีกคนหนึ่งก็ฝันพ่อมาบอกว่าไอ้เนี่ยเขาพ่อบอกว่า พ่อขอเป็นเจ้าภาพสัปะทนซื้อสัปะทนมาเพราะว่าเวลาจะทอดกระถินก็จะมีแห่พัดไตรรอบอุโบสถเขาจะต้องมีสัปะทนกลางเดียนี้พ่อขอเป็นเจ้าภาพสับปทนพ่อก็บอกเนี่ยบอกเลขมาให้ไปซื้อแล้วเอาเงินเนี่ยไปซื้อสัปะทนแล้วบอกจํานวนมาด้วยนะให้ซื้อเท่าไหร่ บอกให้ไปซื้อขวยใต้ดินยี่สิบาทแม่บอกให้ทําผิดกฎหมายด้วยนายอมพ่อน้องสาวก็ไปซื้อยี่สิบบาทนี่จริงหรือเปล่าไปซื้อยี่สิบาทก็เลยได้มาพันกว่าบาทอะไรไปซื้อสับ ป, ประรดไม่ได้คืนได้อันหนึ่งพ่อบอกอยากจะร่วมบุญด้วยไอ้ น, นี่เท็จริงยังไงไม่ทราบน้องมันฝรั่งไม่ใช่ฉัน เดี๋ยวจะลองไปเป็นเจ้าภาพกระถิ่นี่ยเอาลองลองเข้าฝันให้มันแรงๆกว่นี้หน่อยดิ <c oughs> <c oughs> เออนี่ก็เป็นเรื่องแปลก น, นี่อาจจะเป็นเทวดาก็ได้ เ, เทวดาดลใจพว <c oughs> <c oughs> กเราก็ลองไปดูเนะี่ยปู่ตา ย, ายายายไปช่วยมาบอกหน่อยถ้าไม่มาลตัดขาดกันนะ <c oughs> สรุปแล้วก็คือสองอย่างนะเทวดากับกรรม ที่แกพอเชื่อถือได้มีไหมใครอีกคนอรีบถามจะหมดเวลาแล้วเลยส่อ่ะอ่า แลวก็เลยเอาไปิ้กลับเดี๋ยวจะไปเพิ่มความเครียดหเหมือนนึ่งมันต้องใช้เวลาค่ะถ้าอยู่เรายังคอยแกเิขาแไม่่นนเปิดเลยมีมคนหนึ่งก็ไม่กล้าฟังเขาฟังแล้วกลัวมีอยู่ตอนเอามาไปงานศพอยู่งานหนึ่งที่กรุงเทพยยมคนเนี้ยเป็นยอม เป็นเป็นเป็นคนญี่ปุ่นคือเป็นเจ้าของไอ้บริษัทชื่ออะไรโนนิโกะเลยโยมนนี้ที่เป็นเจ้าของร้านเสื้อดังๆเลยวนี้นี่เธอตายอายุแปดสิบสเนี่ยมารู้จักกับลูกสาวเก็ไปไปก็เห็นเพื่อนเพื่อนของของโยมโนนิโกะเนี่ยมากันเยอะหมดเลย แก่กันทั้งนั้นอายุแปดสิบขึ้นโอเดินกันงกแงกงอกแงกแล้วก็แต่ละคนเดินเดินเอียงเดินค ด, นนดนนนเดินน่ารักเนยเดินลองดูคนแก่เดินนี่จะน่ารักนะบางคนก็เอียงซ้ายบางคนก็เอียงขวาบางคนก็ไปข้างหน้าบางทีก็เนี่ยคือสูนสูนถ่วงล้อนะ่าจะไม่ค่อยตรงแล้วก็ดูนอ้อนเน เดินเริ่มทีนี้เวลามานั่งเก้าอี้มันก็จะนั่งกันไม่ค่อยตรงเนี่ยคนแกน่เอามามองอะไรมาจะมีความสุขในการ <c oughs> ก็เออดูเขาท่าดีจังเอามาก็สักพักหนึ่งามาก็เลยถามว่าเออสิบกว่าคนประมาณกับยี่สิบเอ๊เยอะคือคนมากันเยอะอยู่นอกเยอะแต่อยู่ข้างในประมาณสักยี่สกว่าคนเอามาก็ถามวันเนี่ย แต่ละคนนี่นอนยากกันหมดเลยใช่ไหมว่าโอ้ใช่เลยต่อฟ้องกันเอามามีของดีมาให้ถามทำไมสิ่งเนี้ยถ้าเอาไปอยู่ใกล้ประจาแล้วจะนอนหลับสนิทเลยของอะไรอย่ามาก็นี่ไงธรรมะเนี้ยกระพผ่ได้ปังทุกคนเอาไปฟังนะถ้าฟังแล้วจะหลับปกตินอนไม่หลับใช่ไหมก็ใช่โอ้โหยกมือกันสลอนเลย ขอกันใหญ่เพราะอะไรรู้ไหมคนคนสูงอายุจะนอนไม่หลับแต่ถ้าฟังธรรมะแล้วจะหลับเ <c oughs> <c oughs> พราะเขาไม่อยากฟังก็ <c oughs> จะรีบหลับและและเสียงและเสียงเนี่ยแล้วเสียงธรรมะก็พูดเย็น <c oughs> ทำไมบางเย็นพูดป๊อปป๊ออยู่นั่นแหละ เออก็จะหลับกันแล้วลองคิดตัวเสียงนี่ขอให้มันเข้าไปเอะไม่รู้เรื่องมันก็ได้บุญเนี่ยนกเข้าแมวมองพระผู้รู้พระรู้พรเจ้าใช่มหมยังได้ไปสุขติใน่นาโคจะได้เป็นพระปเจกพระเจ้เจาค้างคาวห้าร้อยตัวฟังพระสาธยายพระวิธรรมต่อมายังมาเป็นสัตวิวิหาริรืองพระษาริบุตรทั้งห้าร้อยคนแตกฉานในี่ยรำ ม, มานี่จากฟังไม่รู้เรื่องอะ มีอย่างเดียวขอให้ฟังแค่นั้นแหละใช่ไหมแค่ฟังก็ได้บุญแล้วไม่ต้องรู้เรื่องหรอกใช่ไหมล่ะเราไปฟังพระเขาสวดตอนสวดศพเนี่ยถามมีใครรู้เรื่องไหมกุศลธรรมมากุสลธรรมมาพยากตาธรรมมากตเมธรรมมากุสลายจตมิงรู้เรื่องไหมนั่นแหละข้างขาวฟังยังได้บุญได้มาเป็นมนุษย์แล้วต่อมาได้ตัดสู้ใช่ไหม สัตยภัยลิขก า, ารภาษาลิบุทหร้อยรูกเนี่บรรลุนิพพานกันหมดได้ยังนิพพานหมดแล้วเนี่ยจากค้างข่าวฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่าเราเนี่ยเกลียดธรรมะจนไม่จะมาเป็นนกเป็นหนูก็ไม่ยอมฟังกันเนี่พวกเราเนี่ยมันถึงไม่บรรลุธรรมเนี่ยก็บอกแม่อย่างงี้สิแม่ฟังไวเ้เถอะค้างข่าวสัตยิราชานฟังธรรมะยังได้บรรลุเลยเพียงแม่เปิดแล้วก็แม่ก็นอนหลับฟังไว้ก็ได้ไม่เป็นไร ป้องกันได้ตั้งหลายอย่างนะม่หนึ่งขโมยไม่เข้าบ้านนะไม่เขานุกบ้านนี้ไม่ยอมลมาวเป็นเสียงพวกนี้ใช่ไหมล่ะจริงไม่จริงสองไม่เป็นโรคประสาทจริงไหมล่ะคนนอนไม่หลับเป็นโรคประสาทแต่นอนหลับก็ไม่เป็นโรคประสาทนี่ใช่ไหมสุขภาพก็ดีด้วยมีแต่ดีทั้งนั้นใช่ไหม ก็เธอไม่ชอบพิจารณาเราไม่เปิดอย่างนั้นก็ตรงนี้ถ้าขาขนาดว่ามีสติสัมปชัญญะยังไม่อยากฟังแล้วตอนใกล้ตายนี่โอ้โหยากมากก็อันนั้นก็ว่ากันไปสรุปแล้วก็คือให้คนแก่ฟังดีหลับง่าย อ้าวมีใครจะถามอีกไหมเนี่ยหมดได้ยังเหลือสามสิบนาที อ, า อ, อ่าได้โอ้โหพวกเราหมดวิจิกิจฉากันเลยตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพานนะพระพุทธเจ้าก็ถามอนุนถามภิกษุทั้งหลายห้าร้อยรูป ถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบอกว่าถ้าเธอสงสัยอะไรเนี่ยในธรรมะของพระธรามโคตที่แสดงมาเธอทั้งหลายจงจงถามจะได้ไม่ไม่เสียใจภายหลังวันนี้อยู่ต่อหน้าพระพากของพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ถามเ น, นืพระเจ้าเปิดวักถามอย่างนี้สามครั้งไม่มีพระ อ, องค์ไหนถามเลย <laughs> นี่ก็าเขาก็มาขยายความาทําไมจึงไม่มีพระถามเลย พ่อพระเหล่านั้นอย่างต่ําเป็นพระโสดาบันหมดวิจิกิจฉาแต่มาสงสัยว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพระโสดาบันอะไรเลยทําไมวิจิกิจฉามันหมดเร็วกันเพราะอะไรปัญญาไม่ถึงฮะก็เลยยังไม่เข้าใจตัวเองว่าตอนนี้มี มีปัญหาอยู่หรือเปล่าจริงจริงมีจริงจริงสงสัยอยู่ใช่ไหมอ๋อยังงงตัวเองอยู่ยังงงคือเมื่อเร็วๆนี้ไปปฏิบัติธรรมนะคะพอนั่งพี่อัญทองค่ะพอนั่งๆไปทําสมาธิบางอย่างมันผุดขึ้นมาคือว่าเอ๊ะเราก็การไปอย่างนี้เหมือนไปปิดวิเวกนะคะไปเหมือนไปหาที่สัพยะ ในความเป็นจริงแล้วอย่างที่บ้านก็อยู่คนเดียวมันก็ดูน่าจะสับปยะมากกว่าตรงนั้นก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองเหมือนหมาที่เลื้อนในนั้นหรือเปล่าว่าวิ่งทั้งๆที่ตัวเองคันแต่ไปหาที่ทั้งทที่ก็มี <laughs> <laughs> อย่างนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาก็เลยไม่เข้าใจไปสมควรจะไปอย่างนั้นหรือที่บ้านเราก็เราก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วมันสับปะยะอยู่แล้วมันควรจะอย่างไงก็เลยก็คือประเด็นตรงนี้มันก็อยู่ว่าบางครั้ง บางครั้งการไปที่นั่นเราอาจจะได้ไปฟังธรรมะได้ไปเห็นสิ่งแวดล้อมมาเลยมันก็ช่วยกระตุ้นได้อย่างหนึ่งใช่ไหมล่ะสำหรับกลุ่มสสังคาริกต้องอาศัยแรงกระตุ้นแต่ถ้ากลุ่มอสังขาริกเนี่ยประเภทที่ก็ฟังแค่ครั้งเดียวอย่างท่านนาละกาถีลเงี้ยฟังแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องการไปรบกวนพุทธเจ้าอีกเลยแล้วก็ไปเพศที่ กระตุ้นตัวเองตลอดเวลามันก็ต้องดูว่าเรานี่อยู่กลุ่มไหนบางคนเนี่ยสถานการณ์สถานที่มันเอื้ออหมดเลยขาดอย่างเดียวก็คือไม่มีเพื่อนจะบรรลุแต่ละทีก็อยากไปกับเพื่อนทำไมก็อยากจะมีเพื่อนช่วยกระตุน้นมันนั่งสมมติว่าจะนั่งกรรมฐานมันนั่งไปนั่งมาลืมตาขึ้นมาเหลือแต่เราคนเดียวเหงาสุแล้วนี่ กรณีแบบนี้บางครั้งก็ต้องอาศัยแรงกระตุ้นนี่ประเด็นคือคนที่เข้าใจพระธรรมนะจนท่องแท้จนเกิดความลึกซึ้งแล้วเนี่ยจนเห็นการปฏิบัติเนี่ยทุกเวลาถ้ากลุ่มบุคคลเหล่านี้จะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้มีความรู้มีความเข้าใจอย่างท่องแท้การยืนเดินนั่งนอนในการทํากิตกับการทําจิตเนี่ยมันบาลานสมดุลกันหมดแล้วคือทําจิต ด้วยแล้วก็ทำกิจไปด้วยด้วยความไม่ประมาทด้วยอยู่ณที่ไหนก็เป็นการเดินไปตามมชิมาปฏิบัติธได้จริงๆอย่างยกตัวยอย่างเช่นเวลามีอารมณ์ใดๆโถมเข้ามานีทางทวารตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บก็เห็นคุณเห็นคุณของสีของอารมณ์นั้นๆของเช่นเราเกยเกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมเช่นบ้านเนี่ย บริเวณสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เห็นคุณของบ้านคุณของบ้านก็คือมันให้สุขสมมนัทให้ความฉ่ำชื่นใจให้ตัณหาวิปราสเกิดความยินดีทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นนี่เป็นคุณนะไม่ใช่ไม่มีทําให้เราได้มีที่อยู่อาศัยมีที่กินที่นอนมีที่หลบแดดหลบผมนี่คุณนี่คุณของบ้านแต่มันมีโทษไหย ม, มันมี ก็คือความไม่เที่ยงของมันนี่แหละความเปลี่ยนแปลงไหนจะต้องดูแลต้องจะต้องสาสามปัดกวาดเช็ดถูซ่อมแซมทนุบบำรุงเสียเงินเสียทองอันนี้ก็เป็นโทษของมันอย่างหนึ่งใช่ไหมมันเห็นทั้งอะไรหนึ่งอสาท่คือคุณสองอาทีนวะคือโทษงมันเอาเ่อเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เราควรอยู่ตรงไหนควรไปลุ่มหลงมัวเมาเพลิดเพลินกับอาสาท่หรือไปเครียดไปก้มไปกับอาทีนวะหรือโทษมันไม่ใช่ควรมีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่กับตัวเอง แล้วก็ฝึกตนเองไม่ให้ไปมัวเมาลุ่มหลงไปเพิดเพลินและไม่ใช่ไปเครียดไปกัดกุ้มกับมันให้มีสติสัมปชัญญะวิจัยแยกแยะให้ได้นิสรณะว่าเราได้บ้านหลังนี้ได้สถานที่เหล่านี้เราจะมาเอาเป็นปัจจัยเกื้อนหนุนต่อการฝึกตนเองทำศรัทธาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญทําความเพียรที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไปบูร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 ทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องมันสามารถเห็นอัศาธาเห็นอาทีนวะแล้วก็เข้าใจนิสระณะคือทางดําเนินที่เป็นมัคคปฏิปทาที่จะไปสู่พันิพา น, นคือความหลุดพ้นได้จริงถ้าอย่างนี้เราอยู่ที่ไหนเราก็จะสามารถหามัชิมาปฏิปทาได้ทุกที่เมื่อไปเกี่ยวข้องกับบุคคลแล้วก็รู้ว่าอัศาธาคุณของการเกี่ยวข้องคนนี้แค่ไหนโทษแค่ไหน และเราควรปฏิบัติด้วยสติสัพชัญญาในการที่จะดำเนินกระแสะชีวิตให้ได้มชิมาปฏิปทากับการเกี่ยวข้องกับคนคนนี้แค่ไหนอย่างไรคือมันจะได้ทุกเรื่องเลยลเมื่อเราไปเกี่ยวข้องกันในเรื่องนั้นๆถ้าอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็จะมีพื้นที่ปฏิบัติเต็มไปหมดเจ้าเวลาอันนี้ในรายละเอียดมันเยอะแต่นี้พูดให้เห็นพอเป็นตัวอย่างที่จะลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอมองเห็นไหมอาอย่กับพ่ออยู่กับแม่ พ่อแม่เนี่ยเป็นอาสาท้าหรือเป็นอาทีนวะเราได้สุขสมมนัทไห ม, มเวลาอยู่กับพ่อแม่ได้อาทีนวะได้ความเครียดความกลุ่มความทุกม์ไหนี่เห็นไหมเราโดยมากเราก็จะได้สองส่วนเนี่ยไม่อาสาทะก็อกาทีนวะอยู่เนี้ยมันสุดตรงเดี๋ยวก็ไปยึดติดเพลิดเพลินกับเขาในขณะที่เขาทําดีตามที่เราต้องการเดี๋ยวก็ไปเครียดไปกลุ่มไปทกไปทรมานกับเขาในขณะที่เขาไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการ เราก็เลยได้สุดตรงเลยเดี๋ยวก็อัาธะเดี๋ยวก็อาทีนวะหานิสรณะับการเกี่ยวข้องกับพ่อไม่เจอกับแม่ไม่เจอใช่ไหมฮะมันเป็นปัญหาของพ่อแม่หรือ ป, ปัญหาของเราปัญหาของเราเราหาทางสายกลางไม่เจอต่างหากในขณะที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่อยู่บ้านเลี้ยงสุนักไหมเ่เห็นอัาธานี่ครับสุนักไม่เล่าเห็นอาทีนวะไหมอสาธาอยู่ตรงไหน <laughs> นั่นแหละนั่นแหละอาสาทาเห็นไหมเนี่ยสุขสมนัตตันหาวิปุราที่มันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวข้องกับสุนัขนั่นแหละอาทีนวะของเขาอ่ะต้องพาต้องอะไรรู้เก็บอุจจาระเขาทุกวันในต้องเอายารักษาเขาบ้างเดี๋ยวเขาโหเป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรต่างดูแลเดี๋ยวหมัดขึ้นเผือผ่อๆไปฆ่าหมัดเป็นเป็น ป, ป, น, ป, ป, น, ปนาติบาศก็อีกโอ้อะไรสรารพัดก็ไม่รู้อาทีนวะเยอะไหมเนี่ยได้ทั้งอาสาท่าอาทีนวะก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ไม่เคยได้นิสระนะ ใช่ไหมคือการดำเนินชีวิตไปสู่มัชิมาปริปทาการเกี่ยวข้องกับสุนัขเลยเคยพิจรารณาไหมเขาคืออบายสัตว์เราเห็นเขาทุกวันเนี่ยสัญญาที่เราจำเข้าไปเป็นปรปันจากะสัญญาเป็นกิเลสสัญญาเป็นอกุศลสัญญาไอ้สัญญาเหล่านี้ก็ปรุงแต่งถ้าไม่เรามีความคิดวิปริตผิดเพี้ยน เออถ้าตายขึ้นมาถ้ามีสุนัขเป็นอารมณ์เราควรจะเป็นอะไรนะ <c oughs> เออจะเป็นโคสกาเทพบุตรได้หรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมโคสกาเทพประบุยังเป็นสุนักมีเขาเป็นสุนัขแต่เขาไม่ได้มีสุนัขเป็นอารมณ์นะ <c oughs> ก่อนหน้านั้นนะเขาเป็นเขาเป็นคนจนใช่ไหมแล้วเขาไปเห็นไอสุนัขของเศรษฐีกินดีกว่าตัวเองอะ่ะ นึกในใจโอ้โหตนนัวเองก็กินอาหารใหญกินอาหารไม่ดีอนึกย่โอ้โหสุนัขมันได้ดีกว่าเรามันได้ดีกว่าเรากินเข้าไปมันแน่นแน่นแล้วมันไม่ย่อยทุรนทุลายทุรนทุลายใจก็ประวัติไปนึกถึงสุนัขตายแล้วไปเกิดในท้องของสุนัขอนของบ้านเศรษฐีนี่ดีไหมสมใจอยากเลยแต่เนี้ยออกมาเป็นสุนัขเลยแต่เนี้ยนะพอเป็นสุนัขเบ็ดเสร็จแต่เนี้ยโอ้ยุ่งเลยต่างไงดีเศรษฐีคนนี้นับถือพ่อพระเจรพระเจ้าใช่ไหม พอนับถือพระปจเจริย์พระจเจ้าพระปเจริย์พระเจ้าก็มาบินา บ, บางก็ได้ได้สัญญาใหม่แล้วได้อะไรได้พุทธสัญญาสัญญาจากการจําพระปจเจริย์พระเจ้นานะเข้านะเข้า ม, มีมีแสนรู้หน่อยก็เลยมีหน้าที่ไปถึงเวลาก็วิ่งไปที่กุฏิของพระปจเจริย์พระเจ้าไปเหา่าเห่างงง ง, ง, งไปเรียกนะถึงเวลาอาหารแล้วเจ้าข้าเดี๋ยมันะเหา่ามันลเห่าพระก็ออกมาจากกุฏิก็เดินเดินเดิน พระเดินนำหน้าก็เดินตามที่พระพระต้องการจะเล่นกับเขาหน่อยเดินผิดทางเขาก็ไปกัดจีวร <c oughs> ไปดึงไวให้ถูกทางทําอย่างนี้ตลอดได้ผูกพันกับพระมีอยู่วันหนึ่งก็คือพระจะกลับไปที่เขาคันธมาศแล้วพอเป็เสร็จพะะระรับอาหารฉันเสร็จพระเดินเดินเข้าเดินไปส่งพระพระลอยขึ้นไปเขาก็เฮาเสียใจแล้วต่อมากุศลสัญญาของเขาเข า, เขาจาพระดได้ตายปุ๊บเขาไปเกิดเป็นเทวดา ชื่อโคสกะเทพบุฒิแล้วต่อมามันเปิดเป็นมนุษย์เล่าแบบรัดๆเลยมาเป็นโคสกะเศรษฐีตอนนี้บรรลุทําเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ก็โอเคเห็นไหมแต่เราจะเป็นไหมล่ะสำคัญสำคัญเราจะเป็นมีสุนัขเป็นอารมณ์ใช่ไหมใช่หมกลัวจะไปเป็นใช่ไปมีปมีสุนัขเป็นอารมณ์ใกล้ตายแล้วไปได้แค่สุนัขเองต่อไม่ได้เลยแต่นี้เรียบร้อยใช่ไห ไม่รูเ้เดินต่อไม่ได้พอจากสุนัขแล้วตอนนี้ก็เลยกลายเป็นสุนัขยาวเลยทีน้โหยุ่งเลยใช่ไ ม, มีสุนัขทิมไปอะไปอเวจีก็มีอย่างเช่นโตทยะเศรษฐีอะใช่ไหมโตทยะเศรษฐีก็เป็นเป็นเศรษฐีนี่แหละด่าพุทธิยถาทุกวนันทุกวนันทุกวนันกลัวพพุทธเจ้าจะมายืนต่อหน้าบ้านเดี๋ยวคนในบ้านจะมาใส่บาตเขียนกระพากันว่าเนี่พวกนี้ไม่ได้เรื่อง สัมมานาศิษะโสโลนขอเขากินเบียดเบีย น, ย น, ยนชาวบ้านไม่ทํามากินโอ้เนแล้วเขาก็มีบอกลูกหลานนี้ทุกคนอธิบายทุกวันเบียดเบียนพุทธเจ้างี้ตลอดเลยนะมีอยู่วันนึงก็บอกว่าแล้วเขามีทฤษฎีว่าทฤษฎีอะไรทฤษฎีปลวกทํารัง อ, ะอ่ะทฤษฎีปลวกทํารังคือหรือทฤษฎียาหยอดตา อายาหยอดตาเนี่ยหยอดวันละหยอดมันก็หมดฉะนั้นมีทรัพย์อย่าไปใช้ใช้มันก็ต้องหมดฉะนั้นเขาตันหนีมากใช่ไหมแต่หนีมันเก็บทรัพย์ไว้แล้วก็ซ่อนทรัพย์ไว้ยะแยกๆหมดแล้วต่อมาตายไอ้เจ้านี่ตายได้ความดิจิตผูกพันก็ไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นแหละแล้วก็เฝ้าสมบัติอยู่มีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าเนี่ยโตทยะที่เป็นบุตรเนี่ยบุตรเศรษฐีชื่อโตัโตทยาพราเหมือนกันเป็นบัณฑิตเด็ลกลูกชายเนี่ย นี่ก็เข้ามาในข่ายพยายนพระเจ้าพระเจ้าต้องการไปโปรดพระเจ้าก็รู้นะถ้าไปที่บ้านนี้อเจ้าสุนัขนี้จะออกมาไล่ออกมาด่าแล้วสุนัขนี้ก็จะต่อไปสุนัขนี้จะตายนะตายจะลงอเวจี v G นะแต่ว่าลงอเวจีหนึ่งได้บรรลุเป็นพระโสดาบันหนึ่งคุ้มไหมคุ้มสิยังไงเขาก็ลงอยู่แล้วสุนัขตัวนี้พระเจ้าก็ไป ยืนหน้าบ้านสุนัขตัวนี้ก็เห่าไล่ใหญ่เลยบ้อ ง, บ, อ ง, บ, องบ้องเห่าใหญ่พระเจ้าก็เลยดําหลี่มาพูดบอกว่าชี้ไปบอกดูก่อนโตัวทยะเธอเป็นมนุษย์ก็ด่าพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแม้เป็นสุนัขยังมาด่าอีกเดี๋ยวเธอจะมีเอเวจีเป็นไปในอนาคตโอ้โหสุนัขตัวนี้ตกใจเลยนึกว่าพระพุธยจาไม่รู้จักตนเองใช่ไหม ก็ตัวเองไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วมาเป็นสุนัขมันระลึกได้งไงสุนัขตัวเนี้ยวันมาจากเศรษฐีเนี่ยพระเจ้ายังเห็นนี่เห็นจุดติเห็นปฏิสนทธิเห็นกระบวนการของกระแสชีวิตโอ้โหอายมากเลยดูตัวเองมันไม่ใช่คนแล้วมันเป็นสุนัขนะหางตกวิง่งเข้าไปนอนล้องเป็นมานะถดถอยเข้าใจคำว่ามานะถดถอยไหมเหมือนเหมือนมีคนทศคนหนึ่งมารู้จักเราอะ่ะ สมมติเราเสแสร้งเป็นคนดีไม่มีใครรู้จักเราเลยที่จริงข้างในเราไม่ดีเลยสมมติเนยแล้วมีคนหนึ่งมารู้จักเราแล้วก็มาชี้ชี้เราตรงตรงเนี่ยเป็นคนไม่ดีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หมดไหมหมดสภาพไหมนิ่งเหมือนกันโอ้โหหมดนอนหมดแรงจะตายอยู่ใ น, นสุนัรตัวนี้ลูกชายกลับมาพุจ้าเสด็จกลับลูกชายกลับมาคนใช้ก็บอกสุนาเราไปไหนอะ ไปอุ้มไปอะไรดึงก็ไม่มาแล้วนอนหมดแรกอยู่นั่นน่ะเอาทําไมอ่ะพุทธเจ้ามาเอาแล้วว่าไงพระเจ้ามาบอกว่านี่ไอสุนัขตัวนี้เป็นพ่อท่านโอ้โหกดไหมเป็นพรามตายแล้วต้องเป็นพรมไงคติเขาเชื่อแบบนี้อันนี้เป็นพรามตายแล้วมาเป็นสุนัขรับไม่ได้โ อ, โ, โอ้โหไอแต่นเนี้ยวิ่งไปจะไปตําหนิพทธเจ้าที่วัดเนี่ย <c oughs> พระเจ้ามียานปัญญาพระเจ้าก็บอกว่า ให้กลับไปเนี่ยให้ไปอุ้มไปอาบน้ําอุ้มแล้วไปนอนด้วยไปนอนตอนเขาเคลิ้มเคลิ้มเนี่ยให้บอกให้เรียกเขาพ่อพ่อหมวกทองคอาําะไปฝังไว้ตรงไหนเส <c oughs> ื้อเกล่องทองคําไปฝังไว้ที่ไหนรองเท้าทองคําไปฝังไว้ที่ไหนไม่เท้าทองคําไปฝังไว้ที่ไหนถามเลยก็ <c oughs> อยากฟิสูใช่ไหมมันหาไม่เจอจริงๆทับเลยเนี่ยไอ้เจ้านี้ฝังไอ้เจ้านี้ซ่อนไว้อ่ะ ก็ไปก็กระซิบที่หูตอนก้มเครื่องยอมกลับไปถ้าก้เครื่องลงกระซิบดูนี่กระซิบกระซิบมีไ้มใครเลี้ยงสุนัขบ้างมีใครเลี้ยงบ้างตอนก็ก้มเครื่อเจอกระซิบหน่อยได้ไหมอาจจะเคยเป็นญาติเรามาเนี่ยก็ไปกระซิบไอเจ้าสุนัขมีลุกพวดขึ้นมาพอลุกขึ้นมาก็ไปคุยคุยคุยเจอหมดเป็นไงตอนเนี้ย เศร้าใจาไม่สุนัขตัวนี้เศ้าเศร้าแล้วก็ตายลองเอเวจีไปแล้วลูกชายตกตะลึงมากนึกในใจโอ้โหพระพุทธเจ้านี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยก็เลยผูกปัญหาไปถามเลยลุงขึ้นไปถามพระพุทธเจ้าผูกปัญหาสิบสี่ข้อไปดูในจูรักรมเมาิพังกสูตรไปดูสิถามมาคนที่มี คนที่คนที่จนนะคนที่มีทรัพย์มากคนที่มีทรัพย์น้อยอะไรเป็นเหตุทําให้มีทรัพย์มากอะไรเป็นเหตุทําให้มีทรัพย์น้อยอะไรเป็นเหตุทําให้รูปงามอะไรเป็นเหตุทําให้รูปไม่งามอะไรเป็นเหตุทําให้อายุสั้นหรือยืนอะไรเป็นเหตุให้ผิวพรรณซ่ามผิวพรรณงามอะไรเป็นเหตุทําให้ฉลาดและไม่ฉลาดมียศมากหรือยศฐานบรรดาศักดิ์มากหรือน้อยถามสิบสี่ข้อพุทธเจ้าตอบปุบปุบปบรรลุเลยเรียบร้อย แต่เราอย่างพวกเราอย่างเออฉันตอบเลยเลยปัญหาไปหรือว่าเลยไปไหมไม่เลยนะเอา้าวได้ได้ได้อีกหนึ่ง้ออ้อาวการสก้าง ในภาวะปัจจุบนันนะที่พระอาจารย์บอกว่าเราจะฝึกตนหรือว่าให้ยังไงให้กับรู้เท่าทันมีสติกับปัจจุบนัน <c oughs> บางทีเนี่ยโดยทั่วไปเรามักจะไม่ค่อยทันค่ะ <c oughs> เกิดขึ้นแล้วทําหรือว่าทําไปแล้วพูดไปแล้วเนี่ยเราเราถึงมานึกได้ว่าเอ้ยไม่น่าพูดออกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะอี <c oughs> ะอันหนึ่งที่พระอาจารย์บอกว่าเราควรจะรักษาสินให้ครบ มันน้อยแยะน้อยมากนะคะที่เราจะรักษาไม่คบบางทีมันมีเหตุอย่างประจัยเช่นเราบางทีเราพูดห้ามพูดปดอย่างเงี้ยแต่การพูดปดบางครั้งเนี่ยเรามีเจตนาที่จะทําให้เขาสบายใจหรือว่าเออไม่ทุกข์ใจกับเรื่องนั้นนะคะเช่นเมเช่นเออพอกินกินยาซาอันเนี้ยยาเ น, นี่ยเป็นยาที่ดีทั้งทงที่เราบว่าเออเราอ่ะมันเป็นยารักษาที่บางทีเราเราบอกเขาไม่ได้ว่ามันเป็นยารักษาการทางจิตหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ S <S แต่เราบอกว่านเนี่นยนี่ปัญญาบำบ ULONG นะอะไรอย่างเงี้ยถึงหรือว่าแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเราจะไปไหนเนี่ยแต่เราไม่อยากให้เขาห่วงเราเงี้ยค่ะเราบอกว่าเราเราไปเราไปที่ที่หนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ <S 2> <S 2> ที่เราไม่ได้บอกความจริงว่าเราเราจะไปทําอะไรหรือว่าบางครั้งเนี่ยหรือแม้กระทั่งสินข้อสุดท้ายเนี่ยค่ะบางทีมีเลี้ยงสังสันเนี่ยเราก็ต้องมีมีกันดื่กับเพื่อนนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการรักษาศินห้าทั้งไม่ครบไว้ได้ทะเนี้ยค่ะพระอาจารย์ว่าจะเราจะมีวิธียังไงที่ทําให้เราสิน อ๋อเป็นความจำเป็นตังแล้วหน้าเห็นใจแต่ไม่น่าตามใจใช่ไหมจริงจริงหน้าเห็นใจไหมแต่ไม่น่าตามใจคืออย่างนี้มีสองประเด็นใช่ไหมประเด็นแรกคือครร อ, อ, อืมคือ ที่จริงในในในสองปัญหานี่เป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งคึออย่างนี้คือโดยมากคำว่าปัจจุบันเนี่ยทำอย่างไรเราจะอยู่กับปัจจุบันได้ใช่แท้ที่จริงคืออย่างนี้ในพุทธพจน์เนี่ยมาในบทในเขาเรียกว่าพระมหากระจายนะเป็นผู้กล่าวในธรร ม, มะหมวดเนี้ย อดีตังนานวาเขเมยยนาปฏิกังเกอานาคตังนปฏิปิญญานตังอปัตตันจะอานาคตังเป็นต้นเลยเนี่ยคนก็มาแปลกันว่าอาดีตก็ล่วงมาแล้วอานาคตก็ยังมาไม่ถึงวันนั้นเถอะฉะนั้นก็เลยมาแปลกันต่อว่าไม่ควรคิดถึงอดีตเพราะมันผ่านมาแล้วไม่ควรหวนละห้อยไปหาอานาคตเพราะมันยังมาไม่ถึงควรอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น เนี่ยเออตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นหลักปฏิบัติฮอตแล้วก็ฮิตมากที่สุดในสังคมไทยต้องใช้คำว่าอย่างนั้นคือคือบอกต้องปัจจุบันเท่านั้นนี่แหละรางั้นทีนี้ประเด็นตรงนี้เดี๋ยวทำความเข้าใจหน่อยว่าไม่ใช่เป็นพุทธพาสิตหรือเป็นเป็นพาสิตที่ไม่ให้คิดอดีตและไม่ใช่ไม่คำนึงถึงอนาคต ในพุทธพจน์ที่บอกเรื่องให้เอาอาดีตมาเป็นบทเรียนเยอะมากแล้วก็คอยป้องกันว่าภัยในอนาคตอนาคตแ่ภัยที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ให้รีบถ้าปฏิบัติแบบนี้จะแก้ไขได้ไม่ได้ยังไงมีมากมายในพุทธพจน์ไปดูเยอะแต่ที่ต้องการชี้เห็นว่าการคิดถึงอดีตด้วยตัณหาด้วยมานะด้วยทิฏฐิเนี่ยท่านห้ามยกตัวอย่างนะ คิดอดีตไปด้วยความมัวเมาลุ่มหลงเช่นเราเคยสนุกสบายมาในอดีตเคยประสบความสาเร็จในอดีตมาเราก็คิดถึงอดีตก็เพิดเพลิ้แล้วก็ลุ่มหลงมันไปเรื่อยปล่อยใจไปเรื่อยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันผิดเพราะอะไรทำให้กิเลสหรือบาปมันเกิดในการคิดถึงอดีตเช่นอดีตเราเคยได้ดีอยู่กับแฟนอยู่กับลูกอยู่กับเพื่อนเคยสนุกสนานเคยร่ารวยเคยประสบความสาเร็จ เมื่อสามสิบปีที่แล้วหน้าตาใครดีใช่ไหมพอคิดแล้วมันเชื่องใจนี่แต่มาคิดปัจจุบันเนี่ยเอย้มันดูรูปเทไรก็ใจหอยไอการคิดอดีตเนะี้ยอย่างเงี้ยท่านห้ามคิดด้วยตัณหมามนาทิฐิแต่ถ้าในอดีตสมมุติว่าเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราไปทําผิดรู้สึกเลยเราไม่น่ากโกรธเลยอย่างนี้เป็นต้นนะ แล้วเราก็คิดฟฟุ้งไปเรื่อยไมมไม่ได้เรื่องเลยโกรธถ้าไห้เราแย่รู้สึกแมปัญหามันแย่ไปทะเลาะ ก, กับคนนั้นเรื่องราวใหญ่โตแล้วแก้ไขไม่ได้เลยปุ้งแต่งไปเรื่อยเรี่อย่างนี่ผิดแต่ถ้าคิดถึงอดีตด้วยการไปดึงเรื่องราวจากอาดีตมาใช้สติดึงมาดึงมาอยู่ในปัจจุบันเข้าใจยังเอาเรื่องราวทั้งหมดมาตั้งไว้ในปัจจุบันแล้วก็มาวิจัยแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูก อ๋อตรงนี้มันทําผิดพลาดไปต่อไปเราตั้งสมาทานเราจะไม่ทําอย่างนี้ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเราจะแก้ไขปรับปรุงยงงอย่าง น, น, างนี้เขาให้คิดแบบนี้อย่างนี้ถูกคือดึงเรื่องราวในอดีตเข้ามาสู่ใจในปัจจุบันให้จิตมั่นคงแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าไปวิจัยแยกแยะนี่ากาเรื่อดึงใช้อะไรดึงใช้สติดึงหรือรู้ว่าเขาคานวณ ว, ว่าเนี่ยต่อไปในในปีหน้าเนี่ยภาวะเศรษฐกิจจะไม่ดี จะเกิดภาวะฟองสบู่แตกทางด้านอสังหาริมทรัพย์สมมุตินี่นะเนี่ ย, ยที่เขาวิจัยกันในปัจจุบันอย่างเนี้ว่าอนาคตปีหน้าปี6กหนึ่งหกสองเนี่ยจะแตกแน่นอนเพราะว่าปริมาณของการสร้างคอนโดก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีรู้สึกมันเกินความจำเป็นอย่างเงี้ยแล้วพลังกาลังซื้อของคนมันก็มันก็ไม่เพียงมันก็น้อยเพราะรายได้ของคนระดับระดับกลางระดับล่างทั้งหลายเหล่านี้ค่อนข้างแย่อย่างนี้เป็นต้น พอเราคำนวณอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปดึงเรื่องราวในอดีตในอนาคตมาคำนวณมาพิจารณาว่าเราจะป้องกันยังไงที่จะทำให้เราเนี่ยไม่ไม่เกิดภาวะความเสี่ยงแบบนั้นก็ อ, อย่างแท้จริงก็คือสามารถดึงในอนาคตมาอยู่ปัจจุบันแล้วก็มาวิจัยแยกแยะมาแก้ไขปรับปรุงตัวเองในปัจจุบันอย่างนี้ได้เขาเรียกว่าไม่ลุ่มหลงมัวเมาในอดีตไม่เพ้อหาในอนาคตและในปัจจุบัน ไม่ง่อนเงนคลอนแคลนในปัจจุบันเข้าใจคำว่าง่อนเงนไหมคนบางคนเจอสถานการณ์ในขณะที่เฉพาะหน้าเนี่ยจิตง่อนเงนหมดเลยเพราะอะไรไม่ได้ทําจิตไม่ได้ฝึกจิตไม่ได้พัฒนาจิตไม่ได้อบรมจิตแต่ถ้าคนอบรมจิตพัฒนาจิตฝึกจิตตัวเองให้มีสติสัมปชัญญะเจอสถานการณ์ปัจจุบันจิตมั่นคงไ้มจิตก็มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่วอกแวกแล้วก็มีปัญญาในการวิจัยแยกแยะว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไงเป็นต้นเนี่ยหลักการอย่างเนี้ย สามารถทําได้ด้วยการใช้สติกับสัมปชัญญะนี่แหละเป็นตัวกํากับในการที่จะดึงจะตรึงจะจับในข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้มาวิจัยแยกแยะแม้การปฏิบัติทำเชิงลึกเช่นลมหายใจเข้าและออกในขณะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าเราตรึงหรือจับเห็นไหมคว่าจับใช้สติตรึงตรึงจิตไว้ ตึงจิตไว้ที่ไหนตึงสติเอาสติแล้วลึกไว้ที่ลมเมื่อสติเนี่ยสตินี่เป็นเชือกจิตเหมือนวัวยี่ไหมลมเข้าออกเหมือนหลักมองออกไหมวัวเนี่ยปกติวัวที่มันดือ้อถ้าเราเอาผูกใช้เชือกผูกวัวไว้เชือกก็คือเหมือนสติเมื่อผูกวัวนั้นไว้แล้วไปมัดไว้กับหลัก ถามว่าวัวมันดิ้นขนาดไหนมันดิ้นได้พักเดียวหนักเข้าหมดแรงไหมเวลาหมดแรงไปเสร็จมันมายืนตรงไหนเยืนีชิดติดกับหลักหรือไม่งั้นก็นอนอยู่กับหลักนั่นแหละมันไปไหนไม่ได้แล้วใหม่ใหม่มันก็ดิ้นดิ้นก็ดิ้นไปที่เชือกผูกผูกวัวไว้แล้วก็า ม, ามามัดกับหลักหลักคือลมจิตเหมือนวัวมันซัดสายไหมจิตเราเหมือนอะไร กุมพลังฮันุมานเนี่ยเหมืนอมนลิงเนี่ยเจ็ดเหมือนลิงนี่แหละเหมือนลิงโดดไปโดดมาโดดไปโดดมาไม่อยู่นิ่งใช่ไหมก็เชือกมัดใช้สติมัดผูกไว้ที่ไหนจิตที่ที่ลมนั้นลมเข้าลมออกเหมือนหลักแล้วก็มาตรึงมาจับไว้ที่ไหนก็ใช้สตินั่นแหละจับระลึกเข้าระลึกออกระลึกเข้าระลึกออกนะเข้านะเข้าจิตมันไม่ไปที่ไหนแล้วเพราะสติมันอยู่ตรงนี้นะเข้าส่วนเข้าก็รวมเป็นหนึ่งนะเข้าก็อยู่ นี่เขาเรียกดึงตึงอันนี้ก็ตึงแล้วจับไว้แล้วจิตก็จะเกิดความมีพลังมากขึ้นเพราะจิตสั้สายเป็นจิตที่ไม่มีพลังจิตที่มีความตั้งมั่นใจุดใดจุดหนึ่งอันนี้เป็นเคียงฐานเบื้องต้นที่ทําให้จิตเป็นสมาธิเนี่ยไม่ใช่ไม่เป็นฐานว่าถ้าปัญญาจะเกิดเนี่ยมันจะต้องอาศัยจิตที่มีพลังจิตที่แข็งแรงจิตที่ตั้งมั่นจิตที่มีความคมชัดจิตที่ใสสะอาด แต่นี้ถ้าจิตสั้สายเนี่ยมันไม่แข็งแรงไม่ตั้งมั่นไม่ใส่สะอาดใช่ไหมก็เลยมีอุบายวิธีในการฝึกก็ใช้อะไรล้วอุปกรณ์มีอยู่แล้วลมนี่ไงเราไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่มันแล้วออกเข้าออกเข้าอาาอกตลอดเวลาก็ใช้ธ ร, รรมชาติคือลมนี่แหละเป็นหลักซะเลยใช้ธรรมชาติคือจิตนี่แหละในการที่จิตมันดิ้นดีนะก็ใช้สติธรรมชาติของสติมามัดซะเลยมัดจิตเขามัดจิตเขาไว้มาผูกไว้ที่ไหนผูกไว้ที่หลักคือลมเนี่ยนะก็ดูเข้าดูออกในเข้าก็ได้ ถ้ามันหลุดไปก็มัดใหม่หมุดหลุดไปก็มัดใหม่ทำเรื่อยๆไม่ต้องไปหงุดหงิดไปถือว่าธรรมชาติด้วิธีการทําเนี่ยอย่าไปหงุดหงิดบางคนโอ้ยพอลืมปุ๊บไปก็โอ้ยไม่ไปโกรธเขาเอย่งเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของเราคือลลกลับมาระลึกใหม่ระลึกใหม่ระลึกใหม่เรื่อย ๆ, อยๆนี่วิธีการฝึกทำให้ทีนี้พอจิตมีพลังเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยการที่เราจะฉลาดในการที่จะดึงเรื่องราวทั้งหลายให้มาอยู่มาตรึงอยู่อะไรอยู่ก็จะง่ายขึ้นนี่นระการที่หนึ่ง ประการที่สองเมื่อกี้ว่าเรื่องอะไรเนะนือศีลคือเรื่องศีลเนี่ยจริงๆก็คืออย่างนี้ว่าที่บอกว่ามันรักษายากจริงๆจริงๆวิธีคิดอย่างนี้ให้คิดว่าให้เห็นว่าศีลการมีศีลและการไม่มีศีล ต้องไปรู้ก่อนว่าถ้าเราผิดศีลข้อแรกถ้าเราทำปานาติบาสผลของการฆ่าผลของการเบียดเบียนผลการปรัสสาวะร้ายคนอื่นคืออะไรอายุสั้นโรคภัยแค่เจ็บมากมีสุขมีคุณภาพชีวิตที่ไม่สมประกอบนะมีสภาพร่างกายที่แย่แล้วก็มีแต่เจ็บป่วยทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เจอภัยพิบัติทั้งหลายเหล่านี้มันมีเยอะใช่ห แต่ถ้าเรามีคุณภาพของศีล์ข้อแรกดีเราจะมีร่างกายสมบูรณ์ร่างกายสะสวยแข็งแรงเป็นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสมสัดส่วนรายละเอียดมปนเยอะต้องรู้ต้องรู้เหตุผลเอนี้ก่อนเรายังไม่ต้องบอกว่ารักษาหรือไม่รักษาก่อนให้รู้ก่อนว่าข้อที่สองรักทรัพย์เนี่ย แต่การที่วิบัติค้าขายขาดทุนมีทรัพย์แล้วโดนโคโดนโกงเลยทั้งหลายทั้งนี้มีแต่ความว่าไม่มีอยู่ล่ําไปหาทรัพย์มาได้เดี๋ยวก็พังไปเดี๋ยวก็หมดไปไ ฟ, ฟบั่งน้ํบาบั่งพราชาบั่งโจรป้นบั่งอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าหากเราผูศสลสินข้อแรกดีแล้วอะไรมันตามมาทําให้เราเนี่ยบริบูรณ์ได้ทรัพย์ยังไงทำมาหาค้าขายทั้งหลายก็ไม่ขาดทุนไปตั้งร้านหนะ้าที่ไหนมีแต่คนอยากไปสนับสนุนทั้งหลายเป็นต้นเราเนี้ยนะใครก็ไม่เบียดเบียนโจรผู้ร้ายก็ไม่ไม่ไมาเบียดเบียนเป็นต้นหาาทรัพยย์ได้งง่่คลอแว ข้อที่สามการที่เราได้คุณภาพสภาพครอบครัวที่แตกแยกก็ดีแล้วก็มีอยู่กับใครต่างๆเขาก็ไปเป็นชู้บ้างต้องวิบัติทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นอลไรเนี้ยเออมันมาจากการแตกแยกถ้ากุศลศีลข้อแรกดีแล้วมันกระเทือนถึงว่าทรัพย์สมบัติด้วยแล้วก็ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขด้วยไม่แตกแล้วได้ไม่ทะเลาะด้วยเนี้ยถ้าข้อที่สี่เออถ้าเราผิดศีลในข้อที่สี่เนี่ยเราจะเสียหายตรงที่ว่า เราจะมีคุณภาพปากและฟันเสียหายมากแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีลักษณะท่าทางที่ไม่ดีเช่นคนโกหกเขาเนี่ยหน้าตาจะมีลักษณะเป็นยังไงผิวพรรณจะมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็สังเกตดูทีว่าการที่จะไปพูดโกหกใครทักคนมันต้องใช้ตาเข้าช่วยแต่งตาถลนที่ต้องเชื่อบางอะไรอาการแบบเนี้ยตาก็จะเป็นตาถลนเหมือนตาปู จะมีตาที่ไม่สมประกอบปากและฟันก็จะไม่บาลานซ์กันไม่สมดุลจะมีปัญหาปากและฟันทั้งหลายคําพูดก็จะไปไปที่นีนน่น่าเชื่อถือแล้วก็คําพูดของเราจะพูดให้คนดีกันทีไรเขาก็แตกแยกกันทะเลาะกันอยู่เรื่อยแล้วคาพูดของเราจะพูดทีไรเขไม่เป็นอัดเป็นทำรรนัเข้านักเข้าจะกลายเป็นคนเพ้อเจ้อเดินพูดคนเดียวยืนพูดคนเดียวนั่งพูดคนเดียวที่เราเห็นคนบ้าเป็นกันอยู่อันนี้ก็ต้องยอมรับ ยอมรับก่อนว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมผลที่การกระทำแต่ถ้าตรงกันข้ามเราก็จะได้คุณภาพปากคุณภาพชีวิตและคุณสุขภาวะที่ดีงามเป็นต้นเหล่านี้ของมืนเมา ถ้าเราของมึนเมาใส่ไปในกระแสชีวิตเนี่ยมันจะเป็นเหตุแห่งการทําบาปเรื่องอื่นได้อีกเยอะมากเมื่อใจฮึ่เขือมขึนมาจิตมันมืดบอดขึ้นมาสติสัมภัญญะโดนทำร้ายอากุศลก็เกิดง่ายความโลภ ก, ก็เกิดง่ายความโกรธ ก, ก็เกิดง่ายความมัวเมารุ่มหลงก็เกิดง่ายแล้วสติปัญญาก็เลอะเรือนโดนทําลายไปเรื่อยๆๆๆๆน่ะเข้ า, ก, ขาก็คืออนาคตของของมึนเมาทั้งหลายเหล่านี้ก็คือบ้าไงคนบ้าที่เราเห็นกันทั่วๆไปคนโง่คนบ้าแล้วไม่บรรลุธรรมนะว่างั้นเถอะ มันเป็นการทำลายยอดเลยนะไอ้เรื่องทำลายตัวเนี้ยแต่ถ้าหาักตรงกันข้ามเนี่ยเราเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะเราดีเราเป็นไปนเห็นการมรรลุธรรมเมื่อรู้องค์ประกอบทั้งหมดรู้คุณรู้โทษและเราจะรู้ว่าเราควรทำยังไงดงั้นพระเจ้าไม่ต้องการบอกว่าจงรักษาหรือไม่จงรักษาเนีบอกว่าถ้าไม่เจริญไม่ฝึกอบรมศีลข้อนี้มันจะมีโทษอย่างนี้แต่ถ้าฝึกแล้วจะมีคุณภาพชีวิตอย่างนี้หลักการมีแค่นี้เอง มันจะให้ผลณปัจจุบันนี้และอนาคตไม่ต้องพูดถึงเอาที่ปัจจุบันเห็นเห็นนี่แหละเห็นเห็นที่จะได้ประสบนี่แหละพอเรารู้อย่างนี้เบียดเสร็จปุ๊บตัวปัญญานี่แหละจะไปตัดสินเราเว่าเราจะทํามันจะทําอะไรด้วยปัญญายกตัวอย่างเช่นไอ้คนคนนี้เข้ามาโรงพยาบาลแล้วเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใช่ไหมเขาถามว่าเออยายเป็นอะไรเนี่ย อ๋อเขป่ว ย, ยงไงยายใช่ไห ม, ไหมก็ต้องดูคุณภาพถ้าเราบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันจะไปบีบคั้นเขามันจะเป็นเหตุทําให้เขาช็อกหรืออะไรเนี่ยแล้วก็บอกเขาอ๋อยายทุกคนมันป่วยด้วยกันทั้งนั้นแหละอย่าว่าจะยายอะไรฉันก็ป่วยฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรามาขนาดเนี้ป่วยนู่นเป็นแถวเป็นแนวหมดการพูดลักษณะนี้มันไม่เรียกว่าโกหกนะพูดอธิบายให้เขาฟัง อธิบายเขาฟังว่าอย่างนี้เขาเรียกป่วยแล้วก็บอกว่ายายเป็นโรคอะไรเดี๋ยวค่อยรู้ยายให้หมอวิธิจฉัยก่อนแต่ว่าถามหน่อยว่ายายต้องการรู้เพื่ออะไรรู้แล้วเนี่ยมันจะดีทาให้คุณภาพจิตของยายดีขึ้นไหมหรือแย่ลงสมมุตินะถ้าผมบอกว่ายายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายยายกลัวไหมเขาบอกไม่กลัวไม่กลัวไม่แย่หรอกเนี่ยถ้าบอกก็ จะเป็นก็ยุ่งไงเนี่ยใช่ไหมมันมีวิธีเยอะเข้าใจไหมเหมือนการค้าขายเนี่ยบางคนอู้ถ้าหากว่าไม่โกหกค้าขายไม่ได้ชะนั้นไม่จริงเขาถามว่ า, วาเนี่ยเราขายห้าสิบบาทต้นทุนเราสาสิบบาทสมมุติเนี่ยเขาถามว่าต้นทุนเท่าไหร่ล้วบอกคุณต้องการรู้ทําไมอ่ะถาม่าต้องการรู้ทําไมการค้าขายมันต้องมีกำไรทั้งนั้นแหละ ไม่ว่าที่ไหนไม่มีหรอกเขาจะซื้อมาห้าสิบาทแล้วขายสี่สิบาทเป็นไปไม่ได้มันต้องแต่จะได้มากได้น้อยและระบบการบอกต้นทุนกําไรเขาไม่บอกกันจ <c oughs> ัดมาอย่างนี้ฮะเออมัน <c oughs> เป็นอย่างนี้อาฉันยังบอกกับแม่ว่าจะไปธุระเนี่ยแม่จะไปธุระจะไปไหนอ๋อมีธุระนะแม่อย่าไปรู้รายละเอียดมากเลยใช่ไห <c oughs> <c oughs> ม ไม่มันบอกอะไรทุกเรื่องเลยเนี่ยมันมันลำบากไงแม่ก็บอกว่าธุระมีเดี๋ยวก็กลับพอใจไหมแม่ท <c oughs> าไมมอชัย <c oughs> ก็บอกอีกรอบนึง <c oughs> บอกไปเรื่อยๆมันไม่ได้โกหกแบบเนี้ยไม่เรียกโกหกอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะอย่างกรณีที่กล่อมเด็กนะบอกว่านอนนะนอนถ้าไม่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวจิงจกทุกแกมันจะกินตับเนะ <c oughs> อย่างนี้ไม่เรียกมุสาวา พูดเพื่อประโยชน์ให้เด็กนอนแต่เพียงว่าเป็นคําพูดที่มันไม่มันไม่บริบูรณ์เท่านั้นเองถ้าคําพูดที่ทําให้เขาเสียประโยชน์ยกตัว อ, อย่างนะว่าเขาควรจะได้เงินสมมติโยมเนี่ยควรจะได้เงินแสนหนึ่งเราไปบอกว่าโอ้คุณได้ได้แค่แปดหมื่นไอเนี้ยโกหกชัดเลยเพราะไปทําลายประโยชน์เขา ของอะไรไมันต้องทำลายประโยชน์เขาด้วยนะคาพูดที่เป็นมุสาวะหรือไม่เป็นมุสาว่าคําพูดบางอย่างอย่างยังยกตัวยอย่างนะว่า อ, อลูกจะไปเที่ยวแม่ก็บอกว่าไปให้ให้เสือกัดตายถ้าเองไปวันนี้ให้เสือกัดตายเนืลูกก็ไปก็ไปเป็นไปเจอเสือลูกก็ตกใจเลยว๊า แม่คิดจะให้เสือกัดเราตายจริงหรือเปล่าเอาละเราจะยืนอยู่ตรงนี้ยจ้องหน้าเสืออยู่ตรงเนี้ยถ้าเป็นความประสงค์ของแม่ก็ขอให้เสือกัดเราจริงแต่ถ้าแม่ไม่ได้มีความประสงค์ให้เสือกัดเราตายจริงๆเนี่ยขอให้เสือหลีกไปสักพักนึงเสือก็หลีกไปเห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยคำพูดบางอย่างเนี่ยมันต้องดูว่า้คํำมุมุสาว่ามันต้องคร บ, ครบองค์มีองค์ในการวัดอยู่เอาละสมควรเก่วเวลาแล้ว